อาเดีต่อนะขึ้นถึงในด้านของเทศนารำพะในด้านของทุติยะทุติยะสันธิกะสันธิติกะสามัญญผลการเป็นอิสระกับพระราชาได้กล่าวไปแล้วแล้วก็พูดถึงในเรื่องของประโยชน์สุขขั้นสูงประณีตนะขั้นประณีตสามัญญผลก็พูดถึงในเรื่องของตัวศีลไปแล้วเป็นไปตามลําดับเนาะ แล้วก็พูดถึงในเรื่องของอินทรีสังวรสติสัมปชัญญะสันโดษแล้วก็พูดถึงในเรื่องของการลานีวรสิ่งที่น่าสนใจก็คือพูดถึงในเรื่องของผลเนี่ยด้วยการที่คนที่จะเข้ามาบวชในพระศาสนาเนี่ยก็จะมีความสุขเมื่อได้ศรัทธาแล้วก็ย่อมเห็นตะหนักว่าค า, ารวาสเนี่ยคับแคบเป็นทางมาแห่งทุรีไอ้ตัวเนี้ย บรรพชาเป็นทางปลอดโปร่งการที่บุคคลอยู่คองเรือนยะพฤตประพืชพรหมจรรย์ให้บริบูรณ์บริสุทธิ์โดยส่วนเดียวดุดสังที่ขัดไม่ใช่ทำได้ง่ายอย่างนั้นเลยเนี่ยนะเราพึงปงผมและหนวดนุ่งผมผ้ากาสาวพั์ออกบวชเป็นบนรรพชิตสมัยต่อมาเขาก็ละกองโภคาน้ยใหญ่และเขื่อญาติน้ยใหญ่ปงผมและหนวด นุ่หมผากาสาวพัฒออกบวชเป็นบนรรพชิตเมื่อบวชแล้วก็สำรวมระวังในพระปาฏิโมกข์ถึงพร้อมด้วยมัน ญ, ญาตและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายประกอบด้วยกายกรรมวิจิกรรมที่เป็นกุศลมีอาชีพที่บริสุทธิ์ถึงพร้อมด้วยศีลคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายประกอบด้วยสติสัพชัญญะและก็เป็นผู้สันโดษตรงนี้ท่านก็แสดงเรื่องของจุลศีลมชิมาศีลมหาศีล รายละเอียดจะเยอะนะถ้าพูดถึงเรื่องของจุลศีลมชิมศีนมหาศีลสรุปลงก็คือกลุ่มปฏิโมกสังวรศีนนั่นเองพวกจุลศีลมชิมศีและมหาศีนเนี่ยเนี่ยที่เป็นอย่างนี้อันนั้นพูดถึงในเรื่องของขั้นของปันปีดทีนี้ถ้าหากประโยชน์สุก ข, ขั้นสูงกว่าปรนณีดกว่าเนี่ยนะ พระเจ้าชาติตูก็ถามว่าข้าแต่พระองค์พระเจริญพระผู้มีภาคเจ้าเนี่ยตรัสถึงอานิสงส์ที่เหนือกว่านี้ได้อีกหรือไม่พระพุทธเจ้าก็ตรัสเดบบอกก็ได้นะอานิสงส์ของการบวชเนี่ยก็ได้กล่าวที่ตอนเช้าโดยพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระมหาบวพิษพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ไกลจากกิเลสแตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองถึงพร้อมด้วยวิชา8ปดจรย์สิเป็นผู้เสด็จมาดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลก สเสด็จมาเช่นเดียวกันกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์รู้แจ้งโลกเป็นสารถีที่เลือดเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตัสรู้เริยสัตวี่ถึงพร้อมด้วยพระคุณอันประเสริฐถึงความเป็นใหญ่ต่อจิตใจของตนเป็นต้นได้อุบัติเกิดขึ้นในโลกสั่งสอนสัตว์โลกในสิ่งที่องค์ได้ตัดสรู้แล้วทรงแสดงธรรมที่มีความงามในเบื้องต้นทำกลางได้ที่สุดประกาศพรหมจันทร์คือคําสอนเนี่ย อันต่างด้วยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยถึงพร้อมด้วยอัตตาและบุญชนะบริสุทธิ์บริบรูรณ์ครบถ้วนเป็นต้นแล้วก็มาพิจารณาอย่างนี้แล้วบุคคลที่พิจารณาเห็นคุณของพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าแล้วก็เลยบอกว่าการที่เราผู้ที่ได้สดับตรับฟังพระธรรมมันถึงพร้อมเช่นนี้แล้วก็เบื่อนหน่ายการคลองเรือนก็จะเข้าใจทันทีว่าอ๋อการคลองเรือนเนี่ยเป็นที่ส่องสมของราคะโทสะโมหะ ก็ เ, เห็นว่าการปฏิบัติตามแนวที่พระองค์ได้พระธมสอนให้สาเร็จผลได้จําต้องสละชีวิตการคลองเรือนออกบวชเป็นบนรรพชิตนี่แหละการอยู่ครองเรือนการจะทําให้สะอาดบริสุทธิ์ดุจสังที่ขัดนันไม่ใช่ทําได้ง่ายเลยว่างั้นเถเมื่อท่าคิดอย่างนั้นแล้วก็ออกบวชนะเป็นผู้มีศีลสํารวมอินทรีย์เป็นต้นเหล่านี้มีสติสัมปชัญญะเป็นผู้สันโดษเป็นต้นก็เป็นในด้านของอนัตวัชสุขสุขที่เกิดจะเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ กพูดในละเรื่องของจุรศีลมชิมศีและมหาศีลมีความสุขตลอดกาลนานดังเช่นพระราชาที่ปราบปรามฆ่าศึกจนหมดสิ้นย่อมไม่มีโอกาสจะได้ประสบภัยอันตรายแต่ฆ่าศึกในการไหนๆอีกต่อไปก็แปลว่าถ้าเรามารักษาศีลในดังด้านของปฏิโมกสังวรศีลเนี่ยก็แปลว่าอะไรไหมแปลเหมือนกับพระราชาที่ขึ้นที่ปกครองประเทศบอกพระราชาที่ปกครองประเทศแล้วสามารถปราบอริราชศัตรูภายในประเทศได้หมดสิ้นแล้ว เวลาขึ้นครองราชก็ไม่มีความหวาดสะดุง้งหวาดเสียวแม้แต่อย่างใดบุคคลประกอบไปด้วยกายะบริสุทธิ์วจีบริสุทธิ์แล้วก็อาชีพเทบริสุทธิ์ก็เหมือนกับพระราชาที่ขึ้นปกครองประเทศอย่างนั้นแหละที่ไม่มีอริราชศัตรูและพัฒนาสูงไปกว่า น, นั้นก็คือการได้สวยอพยาเสกสุขสุขที่เกิดขึ้นจากการสำรวมอินทรีย์ก็คือปิดบาปทั้งทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจ กายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตไม่เข้ามาทางทวารตาทวารหูทวารจมูกทวารลิ <That> ้นทวารกายทวารใจก็เป็นบุคคลที่มีความบริสุทธิ์สิบแปทางเลยใช่มสิบแปดไหมสามหกสิบแปดเข้าใจคํานี้ไหมบอมเข้าใจไหมเห็นทางทวารตาสามารถทํากายเมื่อเห็นเนี่ยเป็นเหตุทําให้ทํากายทุจริตได้ไหมวจีทุจริตได้ไหม มโนโทุจริตได้ไหมแต่ถ้าปิดบาปปุบการเห็นปุ๊บกายทุจริตก็ไม่เข้าวัจีทุจริตก็ไม่เข้ามโนทุจริตก็ไม่เข้าใช่ไหมทางทวารตาก็ได okay? ้3ามใช่ไหมเห็นไหมได้สุจริตสทางทวารตาได้สุจริตจสา3ทางทวารหูทางทวารจมูกก็ได้3ทางทวารลิ้นทวารกายและทวารใจ3ามก็18ก็ได้สุจริตสินี่แหละก็จะปิดบาปทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจได้เออเป็นอย่างงี้นี ติดได้ไหมไม่ให้ความวัตถุท่อถอยมันเข้าก็ได้ได้สุดกละดินี่ก็เรียกอัพยาเสกสุขอันนี้เป็นอาทิตจิตสุขนะถ้าใครสามารถปิดบาปทางทวานตาหูจมูกลิ้นกายใจได้จะเข้าถึงความสุขในระดับจิตใจได้เลยเห็นไหมจากการที่สุขภายนอกจากศีลที่เป็นปฏิโมกสังวรศีลพัฒนาไปจนอินทรีสังวรศีลพอได้อินทรีสังวรศีลนี่เป็นอัพยาเสกสุข สุขที่เกิดขึ้นจากอธิจิตสุขสุขที่มีความจิตมีความสุขและบาปไม่เข้าไปรบกวนจิตจะปิดบาปทางตวานตางูาจมูกลิงนกายใจได้เมื่บาปมันจะเข้าได้ยังไงโดยเฉพาะทางตะวันใจเนี่ยปิดบาปได้เสร็จแล้วนี่หมดเลยใช่ไหมคิดถึงอดีตบาปก็ไม่เข้าราคาโทสามโมคะโมหะก็ไม่ไหลไม่กำหนัดในอารมณ์ันเป็นที่ตั้งความกำหนัดไม่ขัดเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งความขัดเครืองไม่มัวเมารุ่มหลงในอารมณ์ันเป็นที่ตั้งความมัวเมาลุ่มหลงก็จบแล้ว คิดถึงปัจจุบันอนาคตนี่คิดตด้หมดเลยบาปก็ไม่ไหลเข้าสู่จิตใช่ไหมทำได้อย่างการเสวยอัพยาเสกสุขที่เกิดจากการเจริญสติสัมปชัญญะนิยาบทเนี่ยในการก้าวไปถอยกลับมีสติสัมปชัญญะกากับแลตรงแลเหลียวแลงตรงก็แหลงหน้าแลเหลียวก็แหลกลางมันก็แลงแลเหลียว บาบไม่เกิดใช่ไหมไม่ใช่ว่าโยโย่เหลียวนียก็คิดก่อนเขคิดว่าเอ๊สมมติเราจะเหลียวซ้ายเนี่ยบาปอักษรกรรมมลาโมกจะไหลท่วมทับจิตใจไหมถ้าจะไหลเขาจะไม่เหลียวแต่ถ้าไหลไปแล้วก็จะได้สิทธิสมาธิปัญญาเ้าก็เหลียวอย่างนี้เป็นต้นนะก็มีสติสัมปชัญญะในการกํากับในการแลตรงแลเหลียวคูเข้าเหยียดออกในการกินการดื่มการเคี้ยวการลิ้ม ก็มีสติสัมปชัญญะในการกินการถ่ายอุจจาระและปัสสวาวะการถ่ายอุจจาระปัสสวาวะนี่เป็นการเจริญสตรีฐานไ ด, ไ, ได้ไหมได้ไม่ได้อาจเจริญยังรจริงๆคือจิตคิดคิดจะขับถ่ายวาโยธาตพัดผันไปในสรีแล้วก็ไปพักดันทําให้ของเสียออกจากล่างกันเห็นไหมมาจากจิตที่คิด มันเห็นทั้งจิตที่คิดจะขับถ่ายได้จิตที่เป็นกุศลก็ได้ได้จิตที่เป็นอกุศลก็ได้ได้จิตที่เป็นบุญเป็นบาปก็ได้ก็ทําจิตให้เป็นกุศลว่าเราจะต้องดูแลสภาพร่างกายอันเต็มไปด้วยของไม่สะอาดนานานประการนี้ก็มีจิตที่คิดจะขับถ่ายวาโยาธาสกัดพัดผันไปในอสรีละแล้วก็ขับของเสียออโอ้มไม่มีอะไรเลยนะชีวิตเนี้ ย, ยก็จะเห็นความเป็นไปของจิตที่คิดวาโยาธาตที่พัดผันแล้วก็ของไม่สะอาดที่ไหลออกมา โอ้โพอเห็นอย่างนี้สติสมัมปชัญญะเกิดไหมเนี่ยในการกินดื่มเขี้ยวริ้มก็เป็นอย่างนี้นเห็นไหมจะจิตคิดจะกินเนไเวลาจะเคี้ยวแต่ละครั้งก็ตั้งใจที่จะเขี้ยววายโยธาก็พัดผันไปเป็นเหตุทําให้การราชกายนั้นมีมีปากในการอ้าขึ้นงับลงอ้าขึ้นงับลงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเนี่ยมันเป็นไปด้วยความลําบากจริงๆนะกระแสชีวิตเนี่ยที่เราจะต้องหล่อเลี้ยงดูแลประครับปงมเนี่ยนะ มันเห็นขนาดนั้นเห็นกระบวนการความเป็นไปทุกขั้นตอนของกระแสของความคิดและกระแสของวาโยธาต์กระแสของดียาบททั้งหลายเหล่านี้กระแสของการเคี้ยวกระแสของความไม่สะอาดของการที่เคี้ยวอาหารแต่ละคํำแต่ละคำแต่ละคำเข้าไปในขณะที่กืนอาหารเข้าไปสู่ร่างกายในขณะที่เตโชธาต์ภาจิกาเตโชเข้ามาเผาผลาญในเผาผลาญอาหารทั้งหลายย่อยจนกลายเป็น วิตามินทั้งหลายที่มันวิ่งเข้าไปหล่อเลี้ยงในกระแสชีวิตมันขนาดนั้นเลยนะนี่เห็นความเป็นไปของการกินดื่มเค้ยวลิ้มยืนเดินนั่งนอนตื่นหลับพูดนิ่งนี่แหละนิสิติสัมพัญญ์าในฐานะเจ็ดการได้สวยอัพยาเสกสุขที่เกิดขึ้นจากสันโดดและการถือทุดงเออเนี่ย ผู้ถือทุดโดงก็คือมักน้อยด้วยจีวรตามที่ตนพอใช้อาหารพอฉันบริขารพอจำเป็นบุคคลเช่นนี้จะมีชีวิตที่เบาสบายไม่มีความกังวล ใ, ใดๆเลยนี่เป็นต้นเนี่ยท่านก็กล่าวถึงในเรื่องของเนี่ยสามัญญะผละสูตรนตั้งอินทรีย์ทั้งวรการลานีวนรนตลอด ถ, ถึงเกี่ยวในเรื่องของโดยเฉพาะการลานวนเนี่ยพระพจบอกว่าพิกสู ประกอบไปด้วยศีละขันอินทร์สังวรสติสัมชัญญาสันโดษอันเป็นอริยะเช่นนี้แล้วย่อมเสพเสนาสนะอันสงัดป่าบ้างโคนไม้บ้างภูเขาซอกเขาถ้ำป่าชัดป่าช้าที่แจ้งรอมฟงังเธอกลับจากบินทบาทแล้วในการภายหลังพัดนั่งคัสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเธอละความเพ่งเล็งในโลกมีใจปราศจากความเพ่งเล็งก็คืออภิชาอยู่ ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากการเพ่งเล็งได้ละความปทุสลายคือพยาบาทไม่คิดพยาบาทมีใจกรุณาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความปทุสลายคือพยาบาทได้ละถีนมิทะคือความหดหู่ท้อถอยเป็นผู้ปราศจากถีนมิทะมีความกำหนดหมายอยู่ที่แสงสว่างกำหนดได้ไหแสงสว่างอันนี้แปลว่าเขาได้นิมิต นิมิตคือแสงสว่างพอจิตสงบปุ๊บแสงสว่างมันเกิดใช่ไหมแสงสว่างจากนิมิตเกิดขึ้นจิตก็กำหนดหมายตื่นอยู่กับแสงสว่างโปร่งโล่งไม่หงอยเหงาเลยนี่พวกเรายังไม่เคยได้ตรงนี้กันเลยเนาะเลยเนี่ยมันได้แสงสว่างร้อมได้ยังไม่ได้สว่างกม็มนาสการถึงแสงสว่างของดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ไปเรื่อยๆก่อนนะจิตจะได้โปร่งโล่ง แสงสว่างไม่ยากจิตเป็นสมาธิมันก็ได้เลยครับนี่นะนี่เป็นต้นเนี่ยมีความกําหนดอยู่ที่แสงสว่างมีสติสัพปชัญญะอยู่ชําระจิตให้บริสุทธิ์จากถีนมิถะได้และอุทธะจากกุกุจะแล้วเป็นผู้มีฟุ้งสัน้นมีจิตสงบณภายในก็คือจิตเป็นเอกคตาชําระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทธะจากกุกุจะได้และ ว, วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยเป็นผู้ข้ามพ้นวิจิกิจฉาได้ ไม่มีความแข็งใจในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ชําระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกริชาได้นี่บริจาบอกมหาพรพิษเปรียบเส ม, มือนบุรุษที่พึงกู้หนี้ไปประกอบกิจการงานนะการงานเขาเขาก็พึงได้รับผลไปกู้หนี้เข้ามาแล้วเขาก็พึงใช้หนี้ที่เป็นต้นทุนเดิมให้หมดสิน้นและทรัพย์ที่เป็นกําไรเขาก็พึงมีเหลืออยู่สําหรับเลี้ยงภรรยาเลี้ยงตนเองเนี่ยนะ เขาก็มีความคิดอย่างนี้เมื่อก่อนเรากู้หนี้ไปประกอบการงานแต่บัดนี้การงานของเราสำเร็จแล้วเราได้ใช้หนี้ที่เป็นต้นทุนเดิมได้หมดสิ้นแล้วและทรัพย์ที่เป็นกำไรของเราก็มีเหลืออยู่สำหรับเลี้ยงตนเองเลี้ยงภรรยาดังนี้เขาพึงได้ปรามโมดถึงโสมนัสมีความไม่เป็นหนี้เป็นเหตุแม้ชั้นใดก็ฉันนั้นเหมือนกันการมาันทะความติดใจใยกสัเนี่เหมือนการเป็นหนี้เขาใช่ไหม ความติดใจในสีที่สวยๆเสียงที่พ้อๆกลิ่นที่หอมๆรสที่อร่อยสัมผัสที่นิ่มๆนั่นคือคนเป็นหนี้แต่เมื่อจิตเราปราศจากการมฉันทะในสีเสียงกลิ่นรสผลภภิตภัณฑ์หน้าปราถนาน้าใครหน้าพอใจเสียได้แล้วเขาเรียกว่าคนไม่เป็นหนี้เราใช้ต้นทุนเดิมก็แล้วต่อมาแล้วก็อยู่ด้วยปราโมดอยู่ด้วยปีติอยู่ด้วยสุขะสมนะใช่ไหมใช่ตอนนี้เรายังมีการมฉันทะกระทบกระทั่งกุ่มรุมอยู่ไหมเนี่ยเขาเรียกยังเป็นหนี้อยู่ไหมเนี่ย ดนั้นต่อไปก็พิจารณาว่าเราจะต้องใช้หนี้ให้หมดให้ได้ด้วยการทําจิตให้เป็นเอกขต า, ายเป็นสมาธิอภิญญาบาตรเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนบุรุษที่จะพึงเป็นผู้มีอาพาธก็ถึงความลําบากเจ็บหนักบริโภคอาหารก็ไม่ได้ไม่มีกําลังกายสมัยต่อมาเขาหายจากอาพาธบริโภคอาหารได้มีกายมีร่างกายที่แข็งแรงก็พึงจะคิดอย่างนี้ว่า เมื่อก่อนเราเป็นคนป่วยเป็นคนอาภาษตมีถึงความลาบากเจ็บหนักบริโภคอาหารก็ไม่ได้และไม่มีกําลังกายแัดนี้เราหายจากอาภาษแล้วบริโภคอาหารได้และมีกําลังกายดังนี้เขาก็จะได้ปราโมทถึงความสมมนัตถ์ถึงความไร้โรคไม่มีโรคเป็นเหตุฉันใดก็เป็นไปในลักษณะฉันนั้นเหมือนกันมองเห็นอย่างถามว่าเวลาเกิดความหมงุดหงิดเกิดความโกรธ ค, ความมีจิตกระทบกระทั่งอยู่เหมือนคนป่วยไหม เหมือนอาพาธเลยเนี่ยมหาพิษเปลือกสมอนบุรุษจะพึงถูกจองจำอยู่ในเรือนจำอะไรเหมือนการถูกจองจำไม่ใช่ความโกรธเหมือนอาพาธการมาการมากามฉันทะเหมือนอะไรเหมือนการเป็นหนี้พยาบาทเหมือนโรคป่วยหนักเจ็บหนักไอ้คนที่ขี้โกรธเนี่ย แล้วอะไรเหมือนการติดคุกอะไระกิเลสตัวไหนที่เรายังลากไม่ได้เหมือนการติดคุกรู้อย่างถีนมิทะความพดหูท้อถอยเซ็งเบื่อซึมนี่แหลนะเนี่เหมือนติดคุกเหมือนไม่เหมือนอูเนี่ยแหละเขาพึงพ้นจากเรือนจำโดยสวัสดีไม่มีภยัยไม่ต้องเสียทรัพย์อะไรอะไรเลย เขาก็คิด <his> ว <tongue. S 2> ่าเมื่อก uh ่อนเราถูกจองจำอยู่ในเรือนจำาบดนี้เราพ้นจากเรือนจำโดยสวัสดีแล้วไม่มีภัยแล้วเราไม่ต้องไปเสียทรัพย์อะไรอะไรเลยเขาก็ได้ปราโมทได้สมนัสพ้นจากเรือนจำเป็นเหตุชั้นใดก็ฉันนั้นใน่ไหทีนามิธาหนเหมือนการถูกจองจำตอนนี้เราถูกจองจาทุกันอหมอ้าวมาิษเปลี่ยนเหมนบุตที่จะพึงเป็นทาตอะไรกิเลสตัวไหนเหมือนเป็นทาต ยังไม่รู้เลยไม่รู้เล ย, เลยกามาฉันท่าเหมือนอะไรมั น, เ ป, น, นเป็นหนี้พยาบาทเหมือนอคนป่วยหนักทีน่นวิท่าเหมือนษษษอจองจําติดกุ๊กแล้วเป็นาธาตุแหละเหมือนอะไรเหมือนกี่เดตัวไห น, น, นไยังมาโกรธมันผ่านมาแล้วยังมาเอามาอีก ตัวเองก็ไม่ต้องพึ่งคนอื่นไปไหนด้วยความพอใจพอใจไม่ได้สมัยต่อมาก็พ้นจากความเป็นทาตพึ่งตนเองได้ไม่ต้องพึ่งคนอื่นเป็นไทยแก่ตัวไปไหนได้ตามความพอใจเขาก็จะมีความคิดว่าเมื่อก่อนเราเป็นทาตพึ่งตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งคนอื่นไปไหนตามความพอใจไม่ได้บัดนี้เราพ้นจากความเป็นทาตแล้ว พึ่งตนเองได้ไม่ต้องพึ่งคนอื่นเป็นไทยแกตัวไปไหนตามความบอใจดังนี้เขาจะเกิดปราโมทโสมนมัสมีเป็นไทยแกตัวไม่เหตุชั้นใดเหมือนอะไรอ่ะที่ไม่ต้องเป็นทาตเป็ น, าน ธ, ธนาตเหมือนอุทธะจักกุกุจะใช่ไหมใช่ไหมเป็นทาตเหมือนอุทธะจกกุกุจะ ส่วนวิจิกิจฉาเหมือนอะไรเหมือนเดินทางกันดานทางกันดานมันหาทางไม่เจอกันดานเนื้เปรียบเส ม, มือนบุรุษที่มีทรัพย์มีโภกโพอค่า ส, สมบัติก็เดินทางไกลหาอาหารได้ยากมีภัยเฉพาะหน้าสมัยต่อมาเขาพึงข้ามพ้นทางกันดานได้แล้วบรรลุหมู่บ้านอันกเกษมปลอดภัยโดยสวัสดีเขาจะพึงมีความคิดว่าเมื่อก่อนเรามีทรัพย์ มีโภค้าสมบัติเดินทางกันดารหาอาหารได้ยากมีภัยเฉพาะหน้าบัจจุบเราข้ามพ้นทางกันดารมรุลถึงหมู่บ้านอันกเกษมปลอดภัยโดยสวัสดีดังนี้ก็จะได้รับปราโมทโสมรัตมีภูมิมสถานอันกเกษมเป็นเหตุชันใดมหาภพิษภิกษุพิจารณาเห็นนิวร์ทั้ง5ประการเหล่านี้แล้วยังละไม่ได้แล้วในตนเหมือนหนี้เหมือนโรคเหมือนเรือนจําเหมือนความเป็นทาาเหมือนทางกันดาร อะไรนะเหมือนนี่การมชันทะาเหมือนนี่พยาบาทเหมือนโรคทีนมิทาเหมือนเรือนจำอุทจักกุกุจักเหมือนความเป็นทาตวิกิจฉาจิกิจฉาความรังเลสงสัยเหมือนทางที่กันดานเธอพิจารณาเห็นนิวรณห้าประการที่ละได้แล้วในตนเหมือนความไม่มีนี่เหมือนความไม่มีโรคเหมือนการพ้นจากเรือนจำเหมือนความพ้นจากเป็นไทยแกตนเองเหมือนภูมิสถานอันเกษมแม้ฉันนั้นแล เมื่อเธอพิจารณาเห็นนิวรณ์หประการเหล่านี้ที่ละได้แล้วในตนย่อมเกิดปราโมดไหมเมื่อปราโมดเกิดแล้วก็เกิดปีติเมื่อปิติเกิดแล้วกายก็สงบเมื่อกายสงบแล้วก็เกิดสุขเมื่อสุขเกิดแล้วก็จิตตั้งมัน่นอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมเพราะจิตตั้งมัน่นแล้วเธอก็จะสงัดจากกรามสงัาจจากกสุรธรรมบลุ ป, ปัมะชานมีวิตกวิจารปีติสุขกันเกิดแต่วิเวกอยู่เธอทํากายนี่แหละให้ชุ่มชื่นเ อ, อบิบอิ่ม ให้เต็มเปี่ยมทราบซ่านด้วยปีติและสุขกันเกิดแต่วิเวกไม่มีส่วนใดๆแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่ปีติและสุอันเกิดแต่วิเวกจะไม่ถูกต้องโอ้โหสุขนาดนั้นเลยนะคนได้ปรมชานเนี่ยมหาปพิษเปรียบเสมือนพนักงานเครื่องสงคือลูกมือพนักงานเครื่องสงผู้ฉลาดที่อาบน้ำเนี่ยจะพึงใส่เพราะอบ ผงอาบน้ำเข้าไปในภาชนะสำลจแล้วก็พรมด้วยน้ำหมักไว้ตกเวลาเยน็นก้อนผงอาบน้ำซึ่งยางและ ซ, มซึมไปจับติดกันทั่วทั้งหมดย่อมไม่กระจัดกระจายชั้นใดภิกษุก็ฉันนั้นทำกายนี้แหละให้ชุ่มชื่นเออบอิ่มเต็มเปี่ยทซาบซาบโดยปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแม้ส่วน ใ, นใดๆแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่ปีติความอิ่มใจสุขโสมนัสอันเกิดแต่วิเวกจะไม่ถูกต้อง มหาภพิษนี้แลเป็นสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ดังทั้งดียิ่งกว่าและประณีด ก, กว่าสามัญญผลที่ประจักษ์ในการก่อนเห็นไหมปฐมฌานเนี่ยโอ้มีตรงเนี้ยท่านบอกว่าเมื่อร้านนิวรณ์ได้แล้วใช่ไหมภายหลังจากการที่มีศีลบริสุทธิ์แล้วสํารวมอินซีดีเยี่ยมแล้วมีสติสัมปชัญญะเป็นผู้สันโดษแล้วหลีกเล่นเข้าหาสถานที่สงัดเจริญสมาธิแล้วก็ได้ สามารถละอภิชาความอยากพยาบาทความกโกรธีนามิธาความท้อแท้หดหูเสื่องซึมอุทจะกขูจากความฟุ้งสัน้นลำคาญใจวิจิกิจฉาความรังเลสงสัยพรละรนิวรณนได้แล้วก็เปรียบเส ม, มือนกับหนี้สินที่ตนชำระได้หมดแล้วโรคภัยไข้เจ็บที่หายแล้วชีวิตของคนที่พ้นจากคุกชีวิตที่เป็นอิสระพ้นจากความเป็นทาสและการถึงเส้นทางที่ปลอดภัยการต่อมาก็คือ พัฒนาจากอุปจารลสมาธิเข้าถึงปฐมฌานนิสกคืออุปนา ส, นาสมาธิสภาวธรรมคือความสุขใจที่ปรากฏแก่ภิกษุที่ปราศจากนิวรณ์ที่พิจารณานิวรณ์ที่ตนเองละได้แล้วดังนี้ก็คือปราโมชะความปราปลื้มใจปีติความอิ่มใจปัตติความสงบรล่มเย็นทางใจสุขความสุขกายและสุขใจสมาธิความตั้งมั่นแห่งจิต เมื่อจิตสงบด้วยอํานาจของอุปจารสมาธิย่อมส่งผลให้เข้าถึงปัตมฌานนะพัฒนาจากอุปจาระเข้าถึงอัปนาสมาธิซึ่งเป็นฌานที่ยังมีวิตกวิจารปิติสุขแผ่ทราบซ่านไปทั่วสะพานร่างกายเปลี่ยนเสมือนความชุ่มชื่นที่ทราบซึมทราบอยู่ในอยู่ในก้อนสบู่ที่มาจากผงสบู่ที่คลุกเคล้าผสมกับน้ําจนเป็นก้อนอันไม่มีวันที่จะเหือดแห้งหายไป การได้สวยปฐมวชานสุขเนี่ยเป็นอนิสงค์ที่ได้จากการบวชซึ่งประนีตกว่าอนิสงค์ที่กล่าวมาแล้วในข้างต้นเห็นไหมถามว่าอนิสงค์ของปฐมวชานสุขเนี่ยประนีตกว่าดีกว่าการละนิวรห้าไหมดีกว่าไหมดีกว่าหรือเปล่าดีกว่าอุปจารสมาธิไหมดีกว่าทีนี้การละนิวรห้าก็ อ, อุปจารสมาธิเนี่ย เป็นอธิสง์ที่ประณีตกว่าดีกว่าการได้อัิยาเศกสุขที่เกิดจากสันโดษและการถือตุ๊ดองไการสันโดษก็ดีด้วยจีวรตามมีตามได้การถือตุดงควรมีการถือการบิณบาดเป็นวัดเป็นต้นเหล่านี้เขาก็มีความสุขนะพระที่ท่านพฤติปฏิบนะัติเนี่ยแต่ก็ยังสุขน้อยกว่าการได้อุปจาแลสมาธิทีนี้การได้ถือสันโดษด้วยจีวรตามตามีตามได้การถือตุดงมันก็ยังสุขกว่าดีกว่าประณีตกว่าการมีสติสัพพัญญาในเอียบท7 ในสถานะเจ็ดก้าวไปถอยกลับแล่ตรงแล่เหลียวคู่เข้าเหยียดออกกินดื่มเขียวริ้มไถอุจจาระปัสสวะเนี่ยมีสติสัมปชัญญะกำกับตัวตลอดยืนเดินนั่งนอนตื่นลัพูดนิ่งนี่ไอสติสัมปชัญญะที่เกิดขึ้นจากการปิดบาบทั้งอกุศลในการยืนเดินนั่งนอนตื่นลัพูดนิ่งเป็นต้นเนี่ยก็ประณีต ด, ดีกว่าความสุขที่อยู่กับการสังวร อ, อินทรีย์ทั้งตาหูาจมูกลิ้นไก่ใจ ความสุขในการสังวรอินทรีย์ทางตหูจมูกลิ้นกายใจก็ประณีตกว่าดีกว่าปาติโมกสังวรลาศีนความสุขในปาติโมกสังวรลาศีนเนี่ยที่เราประพฤติปฏิบัติกายก็สะอาดวาจาก็สะอาดอาชีพก็บริสุทธิ์ก็ดีกว่าประณีตกว่าความสุขในไหนความสุขกับการที่ไม่ต้องไม่ต้องอะไรไม่ต้องจ่ายภาษีากรความสุขที่ไม่ต้องจ่ายภาษีากรมันก็ดีกว่าประนีตกว่าการเป็นทาสคนอื่นใช่ไหม แสดรว่การเป็นทาสคนอื่นไ ม, ไม่ไม่ได้เป็นนี่การที่ไม่เป็นทาสเนี่ยมันก็เป็นความสุขนะที่ออกบวชครั้งแรกนะโอไม่ต้องเป็นทาสใครแล้วเนี่ยมันประณีตกว่าการเป็นคารวะเนีเห็นไหมที่พัฒนาต่อมาคือความสุขที่มากกว่านั้นก็คือเราไม่ต้องจ่ายภาษีอกรก็สุขกว่าพัฒนาต่อไปก็คือศีลไงในปาฏิโมกขังวรศี แล้วอินเดียสังวรศรีลก็สุกกว่าปฏิบวกสังวรศรีลสติสัสมปชัญญะในฐานะเจ็ก็สุกกว่าในอินทรีย์สังวรศรีลการถือทึอดองก็สุขกว่าประณีตกว่าการอยู่ในสติสัมปชัญญะการได้อุจจาระก็สุกกว่าประณีตกว่าการได้ปฐมฌานก็สุขกว่าประนีตกว่าความสุขในอุจจาระเป็นต้นเหล่านี้โอ้โห oh, มันขึ้นไปตามลำดับเลยเนะาะอภรรการที่9ความสุขที่ได้จากทุติยชาณสุข เมื่อกี้ปฐมชานสุขนั้นอโอ้นี่พูดไกลพวกเราหมดเลยนี่ไกลไปยังเลยพวกเราอย่างบอมเลยอย่างเลยเรียบร้อยไปแล้วนีขั้นเจริญฌานยิ่งๆขึ้นไปจนหมดวิตกวิจาร์แล้วเชื่อว่าเป็นผู้เข้าถึงทุติยฌานอันผ่องสายภายในดิ่งไปในสมาธิละได้ทั้งวิตกวิจารเหลือเพียงปีติและสุขอันเกิดแต่ฌานสมาธิ แพ่ทราบซ่านไปทั่วสะพางกายเปรียบเสมือนสระน้ําใหญ่ที่มีตาน้ําไหลซึมออกเป็นนิดมิดชิดด้วยขอบคันธศีมาทั้ง4ด้านไม่มีน้ําจากภายนอกไหลเข้ามาแม้ฝนจะไม่ตกแต่พื้นที่รอบสระนั้นก็ยังเปลี่ยมไปด้วยความชุ่มชื่นตลอดเวลาแม้ชั้นใดการได้สวยทุติยชานสุขก็ฉันนั้นคือเป็นอณิสงของการออกบวชที่เหนือกว่าการได้ปฐมชาตสุขขัน้นตอนด้วยโอ้โหนี่เห็นไหม ในพระศาสนามันจะมีความสุขที่ประณีตล้าเลิศไปเรื่อยๆ เ, ย เ, ยเยขาบอกว่าทุติยาชาติสุขเนี่ยเป็นความสุขที่ประณีตเพราะไม่มีวิตกวิจารณ์มีปีติสุขนั้นเกิดแต่สมาธิทำกายนี่แหละให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มเต็มเปี่ยมซาบซาบด้วยปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิไม่มีส่วนใดๆของร่างกายของเธอทั่วทั้งตัวที่ปีติและสุขมันเกิดแต่สมาธิจะไม่ถูกต้องนะนี่เป็นอย่างนี้เหมือนน้ําที่ซึมอยู่ขอบขอบสระนั่นแหละ สุขอยูต่ตลอดเวลาอย่างนั้นแหละหวังนั้นเถ อ, อะอภิการที่10สุขในตติยฌานนสุขขั้นเจริญฌานยิ่งยิ่งยิ่งยิ่ ง, งขึ้นไปแล้วเนี่ยภิกษุนีมีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะสวยสุขนั้นเกิดเพราะปีติสิ้นไปบรรลุถึงตติยฌานที่พระริยาเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเธอทํากายนี้แหละให้ชุ่มชื้นเ อ, อบิบอิ่มเต็มเปี่ยมซาบซ่านได้สุขันปราศจากปีติ ไม่มีส่วน ใ, นใดๆแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่สุกอันปราศจากปีติจะไม่ถูกต้องมหาบาพิษเปรียบเสมือนในกอบัวขาบกอบัวหลวงหรือบัวขาวบัวดอกบัวขาบบัวหลวงหรือบัวขาวบางเหล่าซึ่งเกิดในน้ำเจริญในน้ำยังไม่พ้นน้ำจมอยู่ในน้ำน้ำหล่อเลี้ยงไว้ดอกบัวเหล่านั้นชุ่มชื่นเ อ, อิบอิ่มซาบซ่านซึมซาบน้าก็เย็นตลอด ยอดตัดถึงเงาเนี่ยไม่มีส่วนใดๆของดอกบัวขาว บ, บัวหลวงและบัวขาวทั่วทุกส่วนที่น้ําเย็นจะไม่พึงถูกต้องแม้ชั้นใดภิกษุก็ชั้นนั้นย่อมทํากายนั่นแหละให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มเต็มเปี่ยมซาบซ่ามด้วยสุขอันปราศจากปีติไม่มีส่วนใดๆแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่สุขอันปราศจากปีติจะไม่ถูกต้องมหาโวิธนี้แหลเป็นสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ที่ดียิ่งกว่าปราณีดกว่าสามัญญผลนะที่เกิดขึ้นใน ทุติยชาญนี่ไหมเนี่ยการได้ตติยชาญาสุขเหล่านี้ย่อมเป็นอนิสงส์ที่เหนือกว่าอนิสงส์แห่งการได้ทุติยชาญาสุขด้วยนี่ตติยชาญเป็นอย่างนี้เป็นความสุขที่มันยิ่งยิ่งขึ้นไปถึงพร้อมด้วยอุเบกขาสมบูรณ์ด้วยสติเลยนะมีสุขที่ปราศจากปีติทราบซ่านไปทั่วสะพานร่างกายเหมือนดอกบัวที่อยู่ใต้น้ําเป็นนิดได้รับความร่มเย็นชุ่มชื่นชื่นฉ่าจากน้ําอย่างทั่วถึงตลอดกาล ตัทยาชานสุขเนี่ยย่อมเป็นอนิสงส์ที่เห uga, เนือกว่าประณีตกว่าดีกว่าทุติยชาตินสุขข้างต้นนั้นเป็นแบบนี้อยากได้ไหมก็เนี่ยศึกษาแล้วก็ฝึกทําไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะได้ความสุขที่ประณีตตามนั้นจริงๆประการต่อมาการได้เสวยเจตุทชาตนสุขขั้นเจริญชานยิ่งๆขึ้นไปย่อมละได้ทั้งทุกและสุข เข้าถึงจตุตัชฌานมีสติบริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์และจตุตัชฌา น, นี้กรแผ่สาไปทั่วทุกขนทุกแห่งของกรัชกายคือร่างกายเปรียบเนื้นบุรุษที่ใช้ผ้าขาวสะอาดคุมโปร่งไออุ่นที่ออกมาจา ก, กรัชกายย่อมแผ่รัศมีสาบซ่านไปทั่วทุกข น, ท, กขนทุกแห่งของกรัชกายนี่ขนาดนั้นเลยนะนี่จตุตัชฌา น, นาสุขเป็นสุขที่ประณีตกว่าดีกว่าตัติยฌานเพราะว่าเยือกเย็นกว่า เ, เธอนั่งแผ่ไปทั่วกายและด้วยใจอันบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีส่วนใดอย่างการจักกายของเธอที่ใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่องจะไม่ถูกต้องนี่แหละเป็นสามัญผลที่เห็นประจักษ์ชัดนะที่เห็นประจักษ์ชัดการได้จัจตุทะชาลสุขนี้ก็เช่นเดียวกับเป็นอนิสงค์ของการออกบวชที่เหนือกว่าการได้ ต, ตัดเทยชาลสุขข้างต้นนั้นนี่ประณีตเป็นไปตามลำดับนี่ นี่ประการต่อมาพื่อได้จตุทัชฌานแล้วก็เข้าสู่อรูปฌานก็ได้ไปตามลำดับว่าพัฒนาจากจตุทัชฌานที่4แล้วก็ขึ้นถึงอากาสานัญจายตนะฌานสุขอากาสารนัญจายตนะสุขสุขที่ได้จากอารูปฌานนี่ประณีด ก, กว่าดีกว่าจตุทัชฌานด้วยแล้วก็พัฒนาต่อไปจากอากาสานัญจายตนะเป็นวิญญาณัญจายตนะฌานสุขวิญญาณนัญจายตนะสุข สุขที่เหนือกว่าประณีตกว่าอากาสารัญญายตนะสุขเนี่ยเขาได้ประณีตขนาดนั้นแล้วก็พัฒนาต่อไปจากอากาวิญญาณัญญายาตนะสู่อากินจัญญายาตนะฌานสุขก็สุขที่เกิดจากอากินจัญญายตนะฌานเห็นไหมอากินจัญญาญตนะฌานสุขก็สุขกว่าประนีตกว่าวิญญาณัญญายตนะแล้วก็พระธรรอาวุโประชฌานที่4เป็น8เนี่ยนะเป็นฌานที่8ก็คือเนวะสัญญาณาสัญญายตนะสุข เนวสัญญาณาสัญญ า, นะญญายาตนาสุขเนี่โอ้โหประณีตกว่าประเสริฐกว่าแล้วเลือดกว่ า, ว า, วานี่คือฌานาสุขที่สมบูรณ์จริงๆนี่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้ทีนี้พอได้ฌานาสุขแล้วเนี่ยสุขที่เกิดขึ้นจากอรมครูปฌานสีเรูปฌานสีแล้วจึงชื่อว่าได้ฌานาสุขที่สมบูรณ์นี่ได้สมาบัตแปด ตรงนี้แหละพิสูจน์ในศาสนาที่เขาหวังและพึงประสงค์กันเนี่ยนะเข้ามาในศาสนานี้เขาก็หวังจะริมลดความสุขที่ประนีตและยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างนี้นี่แหละอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราท่านทั้งหลายที่จะต้องฝึกนะฝึกให้ได้ความสุขที่ประนีตและยิ่งยิ่งขึ้นไปท้าทายมั้ยเนี่ยท้าทายทีนี้ประการต่อมาคือว่าขั้นเจริญฌานนสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปย่อมเข้าถึงอรูปฌานที่สี่ รูปฌานสี่รูปฌานสี่ถึงแต่ละขั้นมีความประณีตไม่เท่ากันซึ่งเมื่อรวมทั้งรูปฌานและรูปฌานแล้วจะได้สวยสุขที่เกิดจากสมาบัติ8เนี่ยนะเมื่อภิกษุมีความชํานาญในสมาบัติทั้ง8แล้วจิตเขาก็ถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติ8ประการถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติ8ประการเนี่ยใน8ประการนั้นเขาเรียกว่า อถังฆาสมนาคตาเนี่ยนะฌานคุณสมบัติของจตุตธาฌานเนี่ยนะหนึ่งปริสุทธะหมดจดจากนิวรณ์เนี่ยหมดจดจากนิวรณ์ก็คือว่าหมดจดจากการมฉันทะความติดใจไปกระสันพย า, ย า, ย า, ย า, ยายบาทความเครียดความโกรธทีนิมิทาความหมดหูท้อถอยอุทธิจักกุกุจักความฟุ้งซ่านลำคาญใจแล้วก็วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยนี่ ประการที่2ปริโยทาตะผ่องแผ้วเพราะข้ามพ้นจากวิตกและวิจารณและวิตกวิจารได้ด้วยประการที่3อนังคณะปราศจากกิเลสความทยานอยากความทะเย อ, อทยานอยากไม่มี 4. วิคตู ป, ปักกิเลสปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองมีอภิชฌาและโทมานาัตเป็นต้นประการที่5มุทุภูตะนี่มีความช่ำชองเป็นวสีเลยอ่อนอ่อนอ่อนโยนนั่นเองเพราะอ่อนโยนก็เข้าวสีได้ ชำนาญในการเข้าชำนาญในการตั้งอยู่ในนาในการออกชำนาญในการพิจารณาเหล่านี้เป็นต้นประการที่6คือกรรมนิยะพร้อมสําหรับอภิน ญ, ญาสูงสูงขึ้นไปพร้อมสําหรับที่จะเดินวิปั ส, สนาญาณที่เจ็กฐีตากันแน่วแน่มั่นคง8ก็อนเนนชับปั ต, ตะไม่หวั่นไหวด้วยเหตุเนี้จิตที่เข้าถึงจตุตัชฌานสมาธิจึงเป็นจิตที่มีความพร้อมเพื่อการได้อภิญญาก็ได้ กะเดินวิปัสสนาญาณเป็นต้นก็ได้เขาเรียกอัดถังคัศมนาคตัตฌานฌานที่มีองแปดมองเอห็นได้ยังเนี่เป็นแบบนี้ทีนี้เมื่อจิตนี้พร้อมด้วยองแปดดังที่ได้กล่าวไว้แล้วเนี่ยขั้นจะเจริญฌานยิ่งๆขึ้นไปไ ป, ไปตามลำดับแล้วเนี่ยประการต่อไปก็คือว่าเป็นบริสุทธ์ผ่องแผ่ไร้มลทิน คือความทยานอยากปราศจากอุปกิเลตพร้อมเต็มเปี่ยนในการที่จะเข้าฌานสมาบัติบ่อยครั้งพร้อมเต็มที่ที่จะทําให้เกิดยานนะจิตไม่หวั่นไหวด้วยเหตุนั้นน่ะภิกษุสามารถที่จะเลือกปรับทิศ ท, ทางจากสมะถะสุวิปั ส, สนาได้โดยไม่ยากกล่าวคือการออกจากฌานเหล่านั้นแล้วก็ใช้ฌานเป็นบาดฐานแล้วก็นําสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งมาเป็นอารมณ์แล้วก็ออกจากฌานแล้วก็ใช้ฌานนั่นแหละเป็นอารมณ์ใช้ปัญญาพิจารณา ไตร ส, สวนพิจารณาแยกรูปแยกน้ำจากการแยกยูปแยกน้ำเบ็ดเสร็จแล้วก็พิจารณาเข้าสู่ไตรลักษณ์อย่างนี้เป็นต้นแล้วนะพิจารณาเห็นความไม่จีรังไม่ยั่งยืนเป็นต้นเหล่านี้นเขาบอกร่างกายนี้มีแต่รู ป, ปธรมธรมอาศัยมหาพุทธรูปเป็นการชกายคือเกิดจากโรหิดและอสุจิของพ่อและแม่ เติบโตไม่ด้วยอาหารไม่จีรังไม่ย่างยืนต้องเสริมแต่งอยู่เป็นนิดต้องปรุงแต่งอยู่เป็นนิดแต่ในที่สุดก็ต้องดับสลายแม้จิตมีวิญญาณมีเวทนาขันสัญญาสังขารวิญญาณขันก็อาศัยกายนี่แหละเป็นไปผู้ที่ได้วิปัสสนาญาณท่านเรียกวิปัสสนาลาภีเปรียบเหมือนบุรุษที่สายตาดีสามารถมองเห็นอย่างชัดเจนว่าอะไรเป็นทับทิมอะไรเป็นได้ที่ร้อยทับทิมอันมีสีกลมกลื่นกัน การได้สวยวิปัสนาสุขเป็นอริสงจากการออกบวชที่เหนือกว่าประรณีตกว่าฌานทั้งหมดเนี่ยนะนี่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้นหลังจากเ อ, เอวิเมื่อภิกษุนั้นจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราจากอุปกิเลสอ่อนควรแต่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ก็น้อมจิตไปเพื่อยา น, นัศนะเธอก็รู้ชัดว่ากายของเรานี่แลมีรูป ประกอบไปได้วยมาหาภูริูปทั้ง4คือธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟและธาตุลมมันเกิดแต่มารดาบิดาเติบโตด้วยข้าวสุกและขนมสดไม่เที่ยงต้องอบต้องนวดฟันมีอันทําลายและกระจัดกระจายเป็นธรรมดาและวิญญาณของเราเนี้ก็สายอยู่ในกายนี้อยู่อย่างนี้เป็นต้นมาหาบ่อพิษ เ, เออเปลี่ยวเสมือนแก้วไพลทูลอันงามเกิดเองแปดเหลี่ยมนายช่างเจรนายดีแล้วสุกแวววาวสมส่วนทุกอย่างมีได้สีเขียวสีเหลืองสีแดง หรือสีนวนร้อยอยู่ในนั้นบุตมีจักษุพึงหยิบแก้วไพลทูนั้นวางไว้ในมือแล้วก็พิจารณาพิจารณาเห็นว่าแก้วไพลทนูนี่งามบริสุทธิ์แปดเหลี่ยมในช่างเจรนายดีแล้วสุขใสแวววาวสมส่วนทุกอย่างมีได้สีเขียวเหลืองแดงขาวและนวนร้อยอยู่นั้นแม้ชั้นใดภิกษุก็ชั้นนั้นแหลพจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วแล้วไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลสเข้ารบกวนแล้วเนี่ยก็อ่อนแล้วเป็นกรรมนิยะเหมาะแก่การเดินวิปัสสนาญาณตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้แล้วน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะจะน้อมจิตไปเพื่อน้ำรูปปริเคษทายานปัจเจ้ปริคหยายานสมัสสนาญาณไล่ไปตามลําดับเลยแยกรูปแยกน้ำได้เนี่ยมันจะเป็นขนาดนั้นเลยนะจะแยกรู ป, ปรขันออกมาเป็นดินน้ําไฟลมสีกลิ่นรสโอช า, าเนี่ยธาตุเนี่ยแยกเป็นธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมก็ได้ แยกเป็นจักขุปปัสสัสรสตัปปสัสคณนาปสัสชิวหาปสัสต์แยกเป็นสีเสียงกลิ่นรสผดผะเนี่ยเป็นต้นแล้วก็แยกเป็นอิทธิภาวะปริสภาวะหัตถยาชีวิตตเนี่ยแล้วก็แยกเป็นอาหารนรูปกายวินยัตเวจีวินยัตและหุตตามุรตากรรมยตาอุปจยาสันติชาลตานิจตาเนี่ยจะแยกกลุ่มรูปธรรมได้หมดเลยหรือแยกผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตาปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยหันใหม่หันเก่ามาสมองเนี่ยแยกละเอียดถี่ท่วน และยังสามารถไปแยกกลุ่มเวทนาขันนะสุขทุกข์และเฉยๆเป็นเวทนาขันจําได้ไหมายรู้เป็นสัญญาขันการปรุงแต่งจิตที่เป็นบุญเป็นบาปทั้งหลายเป็นต้นนี่เป็นสังขาระขันเนี่ยจากกูวิญญาณโสตวิญญาณขานาวิญญาณชิวาวิญญาณกายวิญญาณนรู ญ, ญ, ร ญ, ญ, ร ญ, ญนี่เป็นวิญ ญ, ญาณขันเป็นต้นเหล่านี้ก็จะสามารถแยกกลุ่มรูปกธรรมและนามธรรมเป็นต้นแลนะรูปกรรมฐารและนามกรรมฐานก็จะถูกวิจัยอย่างแยกอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพราะอะไรเพราะจิตอ่อนหรนะือยังจิตอ่อนแล้วจิตปราศจากกิเลสหรือยนะัง จิตนุ่มนวลปราศจากกิเลสแล้วจนะสามารถพิจารณาได้กายนี้มหาภิิ์นี้แลเป็นสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ยิ่งกว่าทั้งประนีตกว่าสามัญญผลประจักษ์ในข้ออื่นๆฉะนั้นความสุขในวิปัสสนาสุขเนี่ยเป็นความสุขที่ประนีตกว่าดีกว่าความสุขในสิ่งอื่นๆเป็นต้นด้วยนี่ยที่ในปฐมในฌานทั้งหมดฉะนั้นวิปัสสนาเนี่ยสุขกว่าฌานเพราะอะไรสุขตอนที่ได้ปัญญา เออให้สังเกตดูนะเวลาปัญญาไปเห็นทุกข์แล้วเนี่ยจิตเป็นทุกข์ไหมไม่เลยปัญญาไปเห็นปัญหาแล้วจิตไม่เป็นทุกข์นั้นจิตก็ไปวิจัยแยกแยะเห็นสภาวธรรมตามความเป็นจริงได้ชัดเลยตนี้เนี่ยเริ่มมองเห็นนะเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละดงั้นการที่ไปวิจัยแยกแยะไปพิจารณาเหตุพิจารณาผลพิจารณากรรมพิจารณาผลของกรรมยกขึ้นสู่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยโอเนี่ยวิปัสนาท่านเรียก ว, วิปัสนาลาภี บุตรที่มีสายตาดีสามารถมองเห็นอะไรชัดอะไรเป็นทับทิมอะไรเป็นได้ที่ร้อยทับทิมที่มีสีกลมกลืนกันการได้สวยปัสนาสุขเนี่ยเป็นอนิสงส์จากการออกบวชที่เหนือกว่าฌานทั้งหมดแล้วก็พัฒนาต่อไปทวิปัสสนาญาณ น, นี่มีเยอะเลยเริ่มตั้งแต่การแยกรูปแยกนามแล้วก็พัฒนาไปสู่เห็นเหตุปัจจัยของนามรูปแล้วก็ประชมนามรูปทั้งหลายยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์หือไม่ที่ยังเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ไล่ไปจากความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็ตาแล้วแล้เราเราจนในที่สุดจริงๆเห็นความเกิดดับของรูปนามนะนะักเข้านักเข้าเห็นความดับไปโดยฝ่ายเดียวทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยวิปัสสนาญาณก็มีความคมแก่กล้าชัดเจนยิ่งขึ้นในส่วนยิงก็เพื่อต้องการไปถ่ายทอนอะไรอ่ะถ่ายทอนอนุใสกิเลสกิเลสที่มันฝังแน่นอยู่ในกระแสขันธาตุอายตนะนี่แหละเนี่ย จะในส่วนจริงก็ได้สวยมรรคสุขสุขที่เกิดของเข้าถึงวิปัสนาแล้วก็มีโอกาสบรรลุมรรคสุขได้แล้วก็เข้าถึงการสวยผลและสุขสุขมีปราณีจิ้งกว่ามรรคสุขแล้วก็ได้นิพพานสุขที่เป็นบรมสุขนี่พลิกษุที่ได้วิปัสนาแล้วย่อมสามารถเข้าถึงมรรคยานผลแยานและมรรคสุขผลสุขนิพพานสุขตามลําดับเนี่ยการได้อภินต่อไปก็คือการได้อภิญญาสุขสุขในภิญญาเห็นไหมฮะ เวลาเขเดินวิปัสนาญาณแล้วต่อไปเวลาก็เดินวิปัสเดินฤทธ์เนี่ยเป็นเรื่องปกติแล้วทีนี้ภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองแผงแผ้วไม่มีกิเลสปราจากกุเเลตอ่ อ, อนควรเดินการงานตั้งมั่นไม่วั่นดอนน้อมจิตไปเพื่อเนรมิตรรูปอันเกิดแต่ใจได้เลยเนี่ยเห็นไหมจิตน่ะเวลาจิตอ่อนแล้วเนี่ยสามารถจะฝึกอะไรก็ได้เนเรมิตรูปอะไรได้เลยเนี่ยมีอวัยวาน้อยใหญ่ครบถ่วนมีอินทรีย์ไม่บกพร่อง เปรียบนบุรุษเนี่ยพึงชักไส้ออกจากหญ้าป้องเขาจะพึงคิดอย่างนี้ว่านี้หญ้าป้องน uh <huh. N ies> ี้ไส้หญ้าป้องอย่างหนึ่งไส้ก็อย่างหนึ่งแต่ไส้ก็ชักออกจากหญ้าป้องนั่นเองอีกในหนึ่ ง, งเปรียบเสมือนกับบุรุษจะชักดาบออกจากฝักเขาก็พิจารณานี้ดาบนี้ฝักเป็นต้นเหล่านี้แต่ดาบชักออกจากฝักนั่นเองอีกในหนึ่งเปรียบเสมือนบุรุษพึ ง, ง, poop, ง, ด, ง ling, ดึงงูออกจากการลอกคาบเวลาล่าอันนี้เป็นคาบของงูอันนี้เป็นตัวงูนีเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเจน พิกสูก็ฉันนั้นนะจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพ่องไม่มีกิเลสปราศจากอุปกเกศอ่อนคนแต่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้เธอก็น้อมจิตไปเพื่อเนรหมิตรูปอันเกิดแต่ใจคือเนรหมิตกายอื่นจากกายนี้มีรูปเกิดแต่ใจมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนบริบูรณ์มีอินทรีย์ไม่บกพร่องมหาบวพิษนี่ก็เป็นสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ที่ประณีตกว่าสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ในการก่อนๆ ก, ก็คือว่าอนนี้แต่ว่าไม่ใช่ดีกว่าวิปัสนานะนี้ดีกว่าฌาน ในในฤทธิ์ทั้งหลายเหล่านี้ปนีดกว่าฌานต้นๆ้นดังนั้นการทําอิทธิฤทธิ์ทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ปะนีดกว่าดีกว่าในในฌานที่8นี้เป็นต้นฌานทั้งหมดเหล่านี้แต่ไม่ได้ดีกว่าวิปัสนาวิปัสสนาญาณ น, นี่ยก็ปนีดกว่าประเสริฐกว่าเพราะขับเน้นปัญญาค่อนข้างมากนี่เป็นอย่างนี้ประการต่อมาประการที่สองอิทธิวิทยานก็คือภิกษุเนี่ยเมื่อจิตเนี่ยเป็นสมาธิ บริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสปราศจากอุปกเกศอ่อนควรนการงานตั้งมั่นไม่วันไหวย่อมน้อมจิตไปเพื่อการแสดงฤทธิ์โอ้แสดงฤทธิ์ได้ด้วยนะเธอบรรลุฤทธิ์วิธีหลายประการคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ทําให้ปรากฏก็ได้ทําไม่หายไปก็ได้ทะลุข้างฝากำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัด เหมือนไปในที่ว่างก็ได้พุดขึ้นดำลงแม้ในแผ่นดินก็ได้ในน้ำก็ได้เดินบนน้ำก็ได้เดินบนอากาศก็ได้เหาะไปในอากาศเป็นต้นก็ได้ก็คือว่าสามารถลูกคาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ด้วยริดพานุภาพด้วยฝ่ามือก็ได้นี่อํานาจขนาดนั้นนียไปถึงตลอดพร ม, มโลกก็ได้โอ้โหนี่ดูสิระจิตเนี่ยฝึกเนี่ยเป็นขนาดนั้นเนี่นในในรินนนนาศาสนาในขนาดนี้เลยนะฮะอันนี้เป็นเรื่องปกติกิเลสยังสามารถทําให้หลุดได้เลย การแสดงฤทธนี่เป็นเรื่องปกติอันนี้เขาเรียกว่าเป็นผลพลอยได้ไม่ใช่เป็นจุดหมายนะเป็นผลพลอยได้ไม่ได้ได้ทุกคนถ้าใครปราศสนาความสามารถตรงนี้ก็ฝึกก็ฝึกไว้เพื่ออะไรอ่ะตรงนี้ฝึกไว้เพื่ออะไรนะฝึกไว้ทำไมบ๊อฝึกไว้ทาไมในภาษาสนานี่ฝึกไว้ทาไมอ่ะ เป็นอุปกรณ์ในการอบในการข่มคนอื่นเช่นอย่างท่านไม่สนใจฟังเนี่ยอย่างท่านไม่สนใจฟังหรือว่าไม่เชื่อในพระศาสนาเนี่ยเขาทั้งแสดงฤทธิ์ไปด้วยดักความคิดของท่านไปด้วยถ้าแสดงฤทธิ์อย่างนี้สภาพใจของท่านยังไงก็ดูรู้เลยแล้วก็แสดงทำต่อบรรลุได้เลยอย่างนี้เป็นต้นเหมือนกับพระเจ้าแสดงฤทธิ์ให้กับชรินเนี่ยแล้วก็ดูสภาพใจิตใจของชรินไปด้วยแล้วก็สอนธรรมะไปด้วย หรืออย่างตอนที่พระพุทธเจ้าแสด ง, งมา ก, กับปาริหานเนี่ยพอิทธิวิทัศทั้งนั้นเลยั้นจัดโลกไปนั่งคอยดูกันอย่างทั้งไม่รู้กี่ร้อยล้านสามารถแสดงทำและบรรลุกันอย่างมากมายเลยนี่เป็นขนาดนั้นเลยนะไอ้ตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องของนิคลิตนนี่อิทธิวิทยานี่นะเหมือนนายช่างหม้อเลยเอาช่างเอาดินมาปั้นเป็นอะไรก็ได้เนี่ยอ่า ทิพโสตะทิพโสตยานนี่สิหูทิพ เ, เมื่อจิตอ่อนควรบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสควรแก่การงานและไม่หวั่นไหวน้อมจิตไปเพื่อทิพโสตะได้ยินเสียงสองชนิดเสียงทิพเสียงของมนุษย์ที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยทิพโสตบริสุทธิ์เป็นต้นด้เขาได้พึงได้ยินเสียงกรองบ้างเสียงตะโพนบ้างเสียงสังบ้างเสียงบันดอเสียง ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยภิกษุก็ชนนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นไม่มีกิเลสปราจาก อ, อุปกเกเรทควรแล้วไม่หวัน่นไหวน้อมจิตไปเพื่อทิพโซตะได้ยินเสียงสองชนิดเสียงทิพแล้วก็เสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้เนี่ยนี่แหละเป็นสามัญญผลที่ประณีต ก, กว่าฌานก่อนๆนี่เป็นอย่างนี้แล้วต่อมาก็คือเกโตปริย า, ยานอันเนี้ยการรู้วาระจิตของคนไอ้นนสําคัญมากเลย บุคคลที่ต้องการจะประกาศพระธรรมคำสอนระดับภาษาอริบุตรพระโมโคคารนะที่เป็นสาวกพระพุทธเจา้าโอ้โหกุ่พวกนี้ชะกาจชากานมากในเรื่องของฤทธิ์เหล่านี้เพราะท่านถ้าไม่มีฤทธิ์เหล่านี้ท่านสอนคนได้ไม่ชัดพวกเราเนี่ยอาศัยการคํานวณเนี่ยแต่พระอารหันตตาเจ้าเหล่านี้ท่านรู้เลยรู้กระบวนการความคิดเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ปุจผ่ผองไม่มีกิเลสป่าใจกบเกตอ่อนขวดแต่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหว น้อมจิตไปเพื่อเจตวบริ ย, ยานเธอย่อมกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นด้วยใจจิตมีราคาก็รู้ว่าจิตมีราคะเดตอนนี้ราคากองลราเกิดก็รู้เพราะแสดงธรรมเนี่ยสมมตินะพระพุทธเจ้าเห็นว่าจิตของสาวกเนี่ยมีราคะพระองค์ก็แสดงเนรมิตเป็นรูปของคนแก่ชราขึ้นมาเห็นไหมจากราคะที่เคยมีอยู่หมดไหม พอราคะในใจของสัตว์นั้นหมดปุ๊บจิตปราศจากราคะท่านก็รู้ดีว่าตอนนี้จิตปราศจากราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะหรือจิตปราศจากโทสะก็รู้ว่าจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตปราศจากโมหะจิตโททูก็รู้ว่าจิตโททูจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่านจิตเป็นมหากระตาก็รู้ว่าเป็นมหากระตากจิตไม่เป็นมหากระตาก็รู้ว่าจิตไม่เป็นหาะ จิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตไม่มียิ่งอื่นยกว่าก็รู้จิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตเป็นสมาธิจิตไม่ตั้งมั่นไม่เป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้นก็รู้ชัดว่าจิตหลุดพ้นจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ชัดว่าจิตหลุดพ้นสำคัญไหมเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมว่าอุปกรณ์ในการที่จะไปรู้ว่าละจิตเขามูคคลอื่นเวลาท่านแสดงธรรมเนี่ยใครจิตหลุดพ้นเนี่ยรู้เลยจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ แสดงทำจบเสร็จปุ๊ บ, บ, บท่านตรวจสอบได้บเลยใครบรรลุเท่าไหร่ไม่บรรลุเท่าไหร่เขาเรียกวัดผลได้ทันทีเลยว่ามันนี่แหละเหมือนกับหญิงสาวชายหนุ่มชอบการแต่งตัวส่องดูเงาหน้าของตนเองในกระจกอันบริสุทธิ์สะอาดหรือในภาชนะอันใสหน้ามีฝอยก็จะพึงรู้ว่าหน้ามีฝอยหรือหน้าไม่มีฝอยก็รู้ว่าหน้าไม่มีฝอยชั้นใดภิกษุก็ชันนั้นเหมือนกันเพราะจิตบริสุทธิ์ เป็นสมาธิผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปเกเรศอ่อนควรในการงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวน้อมจิตไปในเจตวิเรยานก็ย่อมกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นนะด้วยใจของตนเองเลยว่าจิตมีราคะรู้ว่าจิตมีราคะจิตปราศจากราคากรู้ว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะกรู้ว่ามีโทสะจิตปราศจากโทสะกรู้ว่าจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะกรู้ว่าจิตปราศจากโมหะจิตไม่มีโมหะก็รู้ว่าจิตปราศจากโมหะจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านหดหู่ก็รู้ว่าหดหู่ จิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้จิตเป็นสมาธิก็รู้จิตไม่เป็นสมาธิก็รู้จิตตั้งจิตหลุดพ้นก็รู้จิตไม่หลุดพ้นก็รู้เนี่ยรู้ขนาดนั้นเลยเนี่ยลักษณะแบบนี้นี่แหละเป็นสามัญญผลที่ประณีดดีกว่าชาตนจิตอย่างพวกเราเนี่ยโอ้ที่จริงบุคคลเหล่านี้ที่เขาจะสามารถรู้ว่าละจิตคนอื่นเขาชำระจิตตนเองจะเรียบร้อยหมดเลยโอ้โหเขารู้จากจิตตัวเองชำระจนจิตสะอาดหมดเลยอย่างพวกเรานี่หมดสิทธิ์เลยเนาะ คนอื่นจิตยังไงไม่รู้เลยเขาคิดยังไงแต่ไม่ต้องพูดถึงเลยเราหนึ่งเป็นคนมึนงงเรื่องจิตของคนอื่นมากคนเพ้อเพ้ที่ทำอะไรทําผิดผิดพลาดพลาดเยอะแยะหมดใช่ไหมเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละนี่เห็นไหมในภระาศาสนานี่สามารถทำได้ขนาดนี้ยประการต่อมาภิกษุเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพ่องไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลเอ่อนควรแกการงานแล้วเนี่ยนะ น้อมจิตไปเพื่อปุบเพนิวาสานุสานติยานีิรละลึกชาติให้สังเกตตรงนี้นในสังสารวัตรที่ผ่านมาในกระแสชีวิตของพวกเราเนี่ยเอออย่าว่าแต่ชาติก่อนเลยเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยเราทําอะไรไปบ้างคิดอะไรไปบ้างเราไม่สามารถจะรู้ได้เลยเนี่ยความที่สมาธิของเราสติของเราสมรชัญญะของเรานี่หลุดลุ่ยหมดเลยแต่เชื่อไหมว่าในสังสารวัตรที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันเก็บไว้อยู่ในใจหมดเลย ถ้าเราไปถอดรหัสข้างในได้เนี่ยมันจะสามารถเห็นอะไรในใจข้งตัวเองหมดเลยที่มันเก็บสะสมมาในสังสารวัตรไม่รู้กี่ล้านล้านอาถาพนะครับการระลึกก็คือการยังดูความที่เราเคยทําอะไรมาทั้งหมดอยู่ในกระแสชีวิตของเราหมดงั้นทุกอย่างที่เราทําไปเนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์ของเราหมดเลยเนยืทั้งดีและไม่ดีทั้งหลายเลยเนี่ยฉะนั้นวันใดวันหนึ่งเราได้สมาธิตั้งมั่นแน่วแน่ไม่หวัว่นไหวมีปัญญาอย่างเห็น สามารถจะน้อมจิตมาเพื่อระลึกผลหลังที่เราทำอะไรเี่ยที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวต่อไปมันจะเป็นอดีตสักวันหนึ่งเมื่อเราไปทำสมาธิได้ได้สมาธิได้จิตที่พ่องแผ้วเราจะระลึกได้ว่าเราเคยทำอะไร แล้วก็จะย้อนกลับไปวันที่ผ่านมาย้อนกลับไปในอาทิตย์ที่ผ่านมาเดือนที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาไล่ไปตามลําดับไปจนถึงตอนสมัยเป็นเด็กแม้อยู่ในครันของมารดาทะลุคันออกไปในพบที่ก่อนก่อนจะตายมีอะไรเป็นอารมณ์รู้ขนาดนั้นรู้กรรมะอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์กตินิมิตอารมณ์และทะลุทะลวงไปได้เื่อยๆจนหาประมาณไม่ได้หรือแล้วแต่ว่ากําลังของสมาธิกําลังของสติและกําลังของญาณปัญญาของเราจะแค่ไหนอย่างไร ก็จะสามารถดึงข้อมูลเหล่านี้ออกมาได้หมดเลยเนี่ยมันแค่ที่จริงมันก็คือเรื่องง่ายๆตรงนี้แหละในปัจจุบันนี้แหละเราก็สามารถดึงข้อมูลได้แค่ไหนกําลังของสติสมาธิปัญญาของเราได้แค่ไหนมันก็ดึงข้อมูลได้เท่านั้นการดึงข้อมูลมา เช่นเราสามารถจําตอนเป็นเด็กตอนช่วงที่เราประทับใจประทับใจนั่นก็คือการดึงข้อมูลทั้งนนั้แต่ทั้งหมดเหล่านี้มันไม่ใช่มีแค่นั้นหรอกมันเต็มไปหมดที่มันเก็บไว้แต่เราเนี่ยเก็บไว้นานมันทับซ้อนกันจนไม่รู้เท่าไหร่จึงไม่สามารถแกะหรือดึงข้อมูลขึ้นมาให้ปัญญาที่ตรวจสอบได้หลักการมีแค่นี้เองครับแต่คนบางคนเนี่ยเขาสามารถดึงข้อมูลมาได้หมดทำอะไรอะไรายละเอียดมากแต่พวกเรานี่หยาบมากจิตของเรานี่หยาบมากมองอะไรแทบไม่เห็นเลยใช่ไหม เห็นไหมว่านั้นถ้ายิ่งเราจิตเป็นสมาธิเมื่อไหร่สิ่งเหล่านี้มันจะพุดขึ้นมาทั้งหมด เ, เมื่อระลึกไปเพืจะดึงข้อมูลตรงไหนตรงนั้นก็จะโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาโดยเฉพาะถ้าจิตเป็นสมาธิมีพลังระดับอภินิยาแล้วปุ๊บเนี่ยดึงฟื้นได้หมดเลยดึงข้อมูลได้หมดเลยจะเป็นข้อมูลระดับไหนอะอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหไม่ต้องเนี่ยลึกชาติหนึ่งบ้าง2ชาติบ้าง3ชาติบ้าง4ชาติ5ชาติ10ชาติ20ชาติ30ชาติ 40ช า, ช, าชาติ50ชาติร0อยชาติพันชาติแ 0,000 นชาติตลอดหลายสังวัฏกับตลอดหลายวิวัฏกับตลอดหลายสังวัฏกับวิวัฏกับบ้างในภพนู้นเรามีชื่ออย่างนี้มีโคตอย่างนั้นมีผิวพันธุ์อย่างนี้มีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกําหนดอายุเพียงเท่านั้นขั้นจุติจะกภพนั้นแล้วก็มาเกิดในภพน้ดแม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพันธุ mm ์อ hmm. ย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้น สวยสุขสวยทุกอย่างนั้นอย่างนั้นมีกําหนดอายุเท่านั้นขั้นจุดติจากพบนั้นแล้วก็ได้มาเกิดให้พบนี้เธอย่อมระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศทั้งอาการทั้งอุเทศก็คือสามารถจําเรื่องราวได้หมดถ้าเป็นวิปัสสนาญาณก็สามารถแยกรูปแยกนามได้เห็นด้วยความเป็นสัตว์บุคคลเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมก็ได้เป็นเปรตเป็นนสุกรีหรือแยกไปเห็นรูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้เห็นขนาดนั้นเลย นี่วิปัสสนาญาณขนาดน้นเปรียบเสมือนบุรุษที่จะพึงจากบ้านตนไปบ้านอื่นแล้วจากบ้านนั้นไปยังบ้านอื่นอีกจากบ้านนั้นกลับมาสู่บ้านของตนตามเดิมอีก เขาก็ระลึกได้อย่างนี้ว <Și S 2> ่าเราได้จากบ้านของเราไปบ้านโน้นในบ้านโน้นออกจากบ้านได้นั่งอย่างโน้นได้พูดอย่างโน้นได้นิ่งอย่างนี้เราได้จากบ้านนั้นไปยังบ้านโน้นแม้ในบ้านโน้นเราก็ได้ยืนอย่างนั้นได้นั่งอย่างนั้นได้พูดอย่างนั้นได้นิ่งอย่างนั้นแม้เรากลับจากบ้านนั้นมาสู่บ้านเขาตนอีกตามเดินแม้ชั้นใดภิกษุก็ชั้นนั้นแหละ เมื่อจิตบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสมีสมาธิตั้งมั่นอ่อนโยนควรเดี่ยวการงานไม่หวั่นไหวย่อมน้อมจิตไปเพื่อปุเพนิวาสานุสติญาณเธอย่อมระลึกชาติก่อนได้เป็นอั้นมากระลึกได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติสามชาติสี่ชาติห้าชาติสิบชาติยีสิบชาติสามสิบชาติสี่ิบชาติ50สชาติร้อยชาติพันชาติแสนชาติตลอดสังวัตกับวิวัตกั สังวัตตะกาวิวัฒนการกในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนี้มีโคตอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารด้นะสวยสุขสวยทุกอย่างไรกําหนดอายุเท่าไรจุติจักรอัตภาพนั้นแล้วเกิดในภพโน้นแมในภพโน้น ม, มีชื่ออย่างโน้นมีโคตอย่างนั้นมีผิวพรรณมีอาหารสวยสุกสวยทุกทกําหนดอายุได้จุติแล้วมาเกิดในภพนี้ระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการทั้งหมดเจาะทะลุทะลวงไปถึงอุเทศ จอทะุทรวงไปถึงรูปเวญธนาสัญญาสังขารวิญญาณได้ถ้าเป็นวิปัสนาญาเน้นประจักษ์ยิ่งด้วยอันเนี้ยในในศาสนาต่างจากในศาสนาอื่นก็ตรงนี้ในศาสนาอื่นจะไม่มีวิปัสนาญาเวลาระลึกได้แต่ละครั้งก็ระลึกได้แค่บัญญัติได้แค่เป็นสัตว์บุคคลไปไปมาก็ไม่สามารถจะแยกโดยความเป็นรูปเป็นนามได้แยกระลึกไปก็เห็นด้วยความเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเทวดาเป็นสุนัขเป็นแมวเนี่ยนะ หรือเป็นเป็ดไก่ช้างม้าวัวควายบ้างเป็นสัตว์รกบ้างเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมได้แค่นี้แหละแต่ในพระศาสนาพอเดินวิปัสสนาญาณเจาะก็ไปถึงรู ป, ปรขันเวทนาสัญญาสังขารมีอยางเด้เจาะก็ไปถึงกระแสของตาหูจมกูกลิ้นกายใจได้เจาะไปถึงจกักรูปภาษาโสตะภาษาคานาภาษาชิวหาภาษาเป็นต้นเจ า, าะถึงราาูปนามขันห้าได้เลยเนี่ยคือความละเอียดพิพิษพิดารก็อยู่ตรงที่เดินวิปัสสนาญาณนี่ที่สามารถทะลุทะลวงและไม่ไปเห็นด้วยความเป็นสัตว์บุคคลเป็นต้นมองเห็นไหม ในทีาพูดอย่างนี้แล้วกรารระลึกชาติไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์เลยใช่ไหมยังเป็นเรื่องอัศจรรย์อยู่ไห ม, ไมเมื่อเช้าเนี่ยระลึกได้ไม่ทํเราเลยระลึกความรู้สึกได้ไหมว่าทาเป็นอะไรบ้างตอนไปบินตบาดตอนที่ไปเถียงกับ ย, ยมเนี่ยระลึกได้ไหมยเออเห็นไห ม, หไหมทําไมระลึกได้ เนี่ยเห็นไหมขนาดจิตหยาบๆถ้าจิตละเอียดมันจะ เ, เลืลึกได้ทุกขั้นตอนเลยไหมมันจะเลลึกได้ทุกขั้นตอนกระแสะความคิดทั้งหมดเนี่ยมันจะไล่ตามระวังจิตไปเลยนะไล่ตามกระแสะความย้อนหลังพุดธไปเลยแล้วที่รวังเก็บอะไรไว้เก็บข้อมูลไว้มันดึงขึ้นมาหมดเดี๋ยวพุทธในสติดึงข้อมูลมาหมดเลยที่ประจําอะไรไปทําอะไรไว้ดึงดึงดึดึเห็นภาพหมดเลยเหมือนฉายภาพยนตร์ย้อนหลังกลับดูหมดเลยมันขนาดนั้นเลยเนี่ยวิจิตเนี่ยวิจิตมีกําพลังขนาดนั้นนะ อยากได้แบบนั้นไหมและที่ฉลาดไปกว่า น, นั้นก็คือรู้ด้วยข้างหน้าจะไปเกิดเป็นอะไรก็รู้ด้วยรู้ขนาดนั้ น, น, นรู้ว่าตนเองจะกระแสะชีวิตของตนเองจะหมดเมื่อไหร่จะหมดจะดับว่าจะทุกได้เมื่อไหร่รู้ด้วยไปอีกกี่ชาติหรือจะดับทุกในชาตินี้ได้นี่ยนะขนาดนั้นกิเลสจะหมดยังไงรู้ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันขนาดนั้นรู้ขนาดนน ต่อไปก็คือจุดตูวประพาตยานยานที่มองเห็นการจุตติและการปฏิสธิของสัตว์ทั้งหลายในพบภูมิต่างๆได้ด้ภิกษุเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ปุดผ่องผองแผ้วไม่มีกิเลสปราจากอ่อนควรแกการงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวน้อมจิตไปเพื่อรู้จุตติและปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายเธอเห็นหมู่สัตว์ที่กําลังจุตติกําลังปฏิสนติเลวประณีมีผิวพันธ์ดีผิวพันธ์สามได้ดีตกยาก ด้วยทิประจักสุกอันบริสุทธิ์ร่วงจากสุก ข, ของมนุษย์เธอรู้ชัดหมูสัตว์นี้ที่เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบไปด้วยกายสุจริตวจีสุจริตสัตว์เหล่านี้ประกอบไปด้วยกายยศจริตวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนปริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจแห่งมิจฉาทิฏฐิเป็นเครื่องดําเนินชีวิตเบื้องหน้าแต่ตายพกายแตกเข้าถึงอบายทุกติวิบาตนรกส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบไปด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริต ไม่ตีเตียนภริยาเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระทําด้วยอํานาจแห่งสัมมาทิฐิเบื้องหน้าจะตายพ ก, กายแต่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นะดังนี้เธอก็เห็นหมูสัตว์ที่กําลังจุติกาลังปฏิสนธิทั้งเลวทั้งประณีตผิวพันณซาผิวพันณงามได้ดีตกยากด้วยทิปจักสุอันบริสุทธิ์ล่วงจากสุขของมนุษย์รู้ชัดหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยอํานาจด้วยประกาศฉนี้อันนี้เป็นปัจจะยปริกขยานนะ เป็นปัจเจ้ป็นขยานเป็นกังขาวิจารณวิสุทธิรู้จุดติรู้ปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายอันนี้เป็นยานที่2องโยนะเนี่ยวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นนะสัตว์จะไปรู้ลักษณะแบบนี้อ๋อรู้ว่าท่านผู้นี้ประกอบกายยศจิริทุจีทุจริมโนทุจริติเตียนบระรียกเจ้าเป็นมิจฉาทิฐิแล้วก็ดําเนินชีวิตด้วยอํานาจของมิจฉาทิฏฐิเหล่านั้นเนี่ยเบื้องหน้าจะตายเพราะกายแตกเข้าถึงอบายทุกติวิบากทุลกเข็นเลยเข็นขนาดนั้นนะสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริติริสุจริ เป็นสัมมาทิฏฐิไม่ตีเตียนบระรียาเจ้ามีสัมมาทิฏฐิเป็นอัธยาศัยเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการประกอบดำเนินชีวิตเบื้องหน้าแต่ตายพกายแต่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ก็เห็นเนี่ยเห็นโอ้เรวปราณีตทั้งหลายเรื่อนี้ได้ดีตกยากทั้งหลายเลยด้วยที่ประจักษ์สุน บ, บริสุทธิ์ก็คือได้ยานปัญญาได้ปัญญาบริสุทธิ์ที่รู้การเกิดการตายของหมู่สัตว์โหชัดไหมเนี่ยและตรงเนี้ยโห้ยนี่ไม่ใช่เห็นตัวเองแล้วเห็นคนอื่นเลยเดี๋ยเห็นหมู่สัตว์ในโลกนี้ดูเหมือนอะไรรู้ไหม เหมือนปราสาทที่ตั้งอยู่ท่ามกลางทางสามแพง่งมรุษผู้หนึ่งมีจกักษุเนี่ยยึกขึ้นไปยืนบนปราสาทก็เห็นหมู่สัตว์พอไปยืนอยู่บนก็เห็นคนเข้าบ้านนู้นออกบ้านนั้นมันเห็นชัดหมดเนยมันยืนอยู่ที่สูงมองเห็นอย่างนั้นเลยคนที่มีญาณปัญญางี้เขาไปเห็นหมู่สัตว์เป็นยางี้ถ้าเห็นอย่างนี้จะสะดุ้งสะเทือนไหยเห็นสะเทือนใจไหมเมื่อเราเห็นอย่างเนี้ยว่าเอ้าคนนั้นเนี่ยเช่นพระเจ้าเห็นลุนางลูกสุกร พบงอ๋อเนี่ยอ๋อแต่ก่อนเคยเป็นภิกษุฟังกเถอะเออเนี่ยนางลูกสุกรเออนุกนังลูกสุกรนี่แต่ก่อนเคยเป็นแม่ไก่กำลังฟังพระสาธยายพระธรรมอยู่ต่อมาเหี่ยวเฉียวปุ๊บคอขาดตายไปแล้วต่อมาไปเกิดเป็นทิดาของกษัตริย์ของเจ้าเมือง ต่อมาทำชานสมาบาัติไปเกิดเป็นพรมหมุนเวียนในสังสารวัฏแล้วต่อมามาเกิดเป็นลูกหมูโอ้โหดูน่าตกใจไหม่ะเคยได้ชานสมาบัติเคยเกิดยันเป็นพรมต่อมาได้เป็นแค่สัตว์เดรัจฉานวิ่งไปวิ่งมาเนี้ยเนี่ยที่ไปจากษ์สูงนั่นนี่ที่เห็นแบบเนี้อย่างพวกเราเนี่ยโอ้โหมันจะมาจากอะไรบ้างเนี่โอ้โหน่ากลัวไหมมองเห็นได้อย่างเนี้ยเนี่ยเป็นลักษณะนี้ เห็นผิวพันธ์งานได้ดีตกยากด้วยทิประจักษ์สุสัตว์เหล่านี้ประกอบไปด้วยทุจริตประกอบด้วยสุจริตทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเหล่านี้เนี่ยเธอย่อมเห็นหมูสัตว์ที่กําลังจุดติกําลังบัดเลวประณีตผิวพันธ์งามผิวพันธ์สามได้ดีตกยากด้วยทิปประจักษ์สุอันบริสุทธิ์ล่วงจากสุขมนุษย์ย่อมรู้ชัดึ่งหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการอย่างเนี้ยนี่แหลเป็นสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ทั้งดียิ่งกว่าประณีตกว่าสามัญญผลที่ทิประจักษ์แล้วในข้อก่อนข้อนี้ก็สูงกกววว่่าาาาาประณณีุุพเนนิส ปเุเพนิวาสานุติยานเนี่ยเห็นชื่ว่าตนเองใช่ไหมเอาข้อสุดท้ายภิกษุเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมน้อมจิตไปเพื่ออาสวะขยายานย่อมรู้ชัดตามความจริงวันนี้ทุกโอ้โเนี่ยรู้ขันห้าแล้วทุกนี่คืออะไรอะไรเป็นทุกขสัต์ รูปเวทน า, าสัญญาสังขารวิญญาณกระแสะชีวิตตามหูจมูกเล่นกายใจนี่แหละอันนี้เป็นทุกข์กษัตริย์ใช่ไหมนี้ทุกข์ใช่ไหมใา่ตาหวจมูกเล่นกายใจเป็นทุกข์ไหมรูปเวทน า, าสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์เพราะอะไรทำไมถึงเรียกว่าทุกข์สิ่งที่มาประชุมการเปลี่ยนแปลงตลอดไหมเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยตลอดบีบคั้นตลอด <ST an ets> ใช่ไหมไม่สามารถจะคอนโทรลได้เขาเป็นไปตามเหตุปัจจัยใช่ไหมไม่ได้เป็นไปตามใจใครเลยนี่คือการแสดงอาการเป็นทุกข์ของเขาอยู่คําว่าทุกข์ในที่นี้ใช่ทุกข์ใจวะหรือมันเป็นความทุกข์ที่มีการเปลี่ยนแปลงยตลอดเวลาเป็นความทุกข์ที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลากระแสชีวิตแม่นั่งอยู่นิ่งๆเนีย่ยความทุกข์มันปรากฏอยู่ไหมแต่เราเห็นไหมอาการไม่เห็นเหล่านี้เป็นอวิชชาใช่ไหมนี้ทุกข์นี้ทุกข์ขสมุทัยเหตุของทุกข์คือคืออะไร กิเลสทุกชนิดอวิชาตันหาอุปาทานสังขารละกัมเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์และตอนนี้เรากําลังทําเรากําลังประกอบกรรมที่ทําไปด้วยกิเลสอยู่หรือเปล่าถ้าประกอบกรรมที่ทําเจตนากรรมที่เป็นไปกับกิเลสอยู่หรือเจตนากรรมที่เป็นไปในวัตฏะอยู่ไม่ได้เจตนากรรมที่เป็นไปเพื่อออกจากวัฏฏะอย่างนั้นก็เรียกก็เป็นการสร้างเฉดแห่งทุกข์ตลอดเวลาเลยประกอบเหตุให้ทุกข์ตลอดเวลทุกข์นี้ทุกข์นิโรดนี้เป็นจุดหมายใช่ไหมควรทําให้ประจักษ์แจ้ง นี้ทุกขันธิโรทั้งคำนี้เปฏิบัติอันนี้เป็นมักเป็นทางดําเนินย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงเหล่านี้อาสวะนี้เหตุให้เกิดอาสวะนี้ความดับอาสวะนี้ข้อปฏิบัติให้เขาถึงการดับอาสวะเมื่อเธอรู้อย่างนี้จิตก็ย่อมหลุดพ้นจากการมอาสวะเวาอาสวะอวิชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็ย่อมมียานอย่างรู้ว่าหลุดพ้นรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วเป็นต้นเอออาสวะขย้ายานเนี่ยนับตั้งแต่วิปัสนาญาณนะตั้งแต่สัมมสนญาณเป็นต้นไปเลยสัมมาสัญญาณอุทิยพยัญาา ไล่ไปตามลำดับอาทินาวายานมุลจิตุกรรมยาตาญาณปฏิสังขายานสังขารุาเปกขายานไล่ไปตามลําดับเนี่ยนะวิปัสสนาญาณตั้งแต่เห็นไตรลักษณ์เป็นต้นไปเนี่ยจัดเป็นอาสวะขย้ายานจนกายถอนกิเลสนี่แหละนึกไปเห็นอริยสัจตามความเป็นจริงนี่แหละเห็นทุกข์เห็นเหตุให้เกิดทุกข์จุดหมายคือความดับทุกข์ต้องดับทุกข์เนแล้วก็ดําเนินปฏิปทาข้อปฏิบัติให้เขาถึงความดับทุกข์ เนี่ยพอรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจันทร์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีเปรียบเสมือนสระน้ําบนยอดเขาใสสะอาดไม่ขุนมัวบุุษผู้มีจักูุยืนอยู่บนยอดขอบสระจะพึงเห็นหอยโข่งบ้างหอยกาบบ้างก้อนกรวดบ้างก้อนหินบ้างฝูงปลาบ้างกาลังว่ายอยู่บ้างหยุดบ้างในสระน้านั้น เขาก็จะคิดอย่างนี้ว่าสระน้ํานี้ใสสะอาดไม่ขุนมัวห้อยโครงห้อยกราบบ้างก้อนกรวดก้อนหินบ้างฝูงปลาบ้างเหล่านี้กําลังว่าอยู่กําลังหยุดอยู่ในสระน้ำํำดังนี้ชั้นใดภิกษุกัชันนั้นวรจิตสงบแล้วเนี่ยบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปาศจากอุปกิเลสอ่อนควรในการงานตั้งมันยอบน้อมจิตไปเพื่ออาสะวะขยายานรู้ชัดวันนี้ทุกให้ตอนนี้มันจิตเราเนี่ยไม่มีจิตเรามีกิเลสอยู่ตอนนี้จิตยังมีกามาฉันทะ ความติดใจใยกสันกุมรุมอยู่จิตยังมีพยาบาทความความเครียดความโกรธ อ, อยู่จิตยังมีถีนมิท่าหดหูท้อถอยอยู่เนี่ยเเนี่ยเซ็งเซงเบื่อเบือยู่เนี่ ย, ออยจิตยังมีอุทจักกุกุจักฟุ้งซ่านจิตที่ยังมีวิจิกิจฉาความลังเลสงสยัยจิตเหล่านี้จึงไม่เห็นทุกจึงน้อมไปเพื่อจะไป เ, เห็นความจริงคือทุก์ไม่ได้เลยเนีเห็นก็เห็นแต่เพียงฟังเพื่อนผิวผิวเพืนผิวหยาบมากเลยจิตอย่างเนี้ เป็นจิตที่หยาบมากเพราะจิตที่ไม่ควรต่อการงานเลยไม่ควรต่อการไปเดินวิปัสสนาญาณเลยเนี่ยเห็นไหมไหมจิตจิตลักษณะอย่างเงี้ยทาเพราะอะไรต้งฝึกต้องฝึกจิตให้เป็นสมาธิเพราะอะไรต้องขัดเกลาวตั้งแต่ศีลเป็นต้นขึ้นมาสู่ระดับสมาธิถ้าอย่างนั้นจิตของเราจะไม่ใสสะอาดไม่เหมือนน้ำใสสะอาดที่บอกไปยืนอยู่บนขอบสระเห็นหอยโขงบ้างหอยกาบบ้างเห็นปูบ้างเห็นปลาบ้างเห็นกุ้งบ้างที่มันเดินมันหยุดเห็นอะไรได้ชัดเนี่ย นี่เรายังไม่เคยเห็นเลยในใจของเราเนี่ยเห็นกิเลสไหมเนี่ยไม่เห็นเลยไม่สามารถไปแยกรูปประธรรมนามธรรมเป็นต้นเหล่านี้รูปเวรนาสัญญาสังขารวิญญาณแยกไม่เห็นเลยแยกไม่ออกมองไปกระทึบหมดไม่สามารถจะเห็นตามความเป็นจริงได้เลยมองเห็นยังนี่คือถ้าจิตเป็นอะไรจิตหยาบจิตหยาบเป็นอย่างเงี้ยนั้นแต่ถ้าหากว่าจิตใสสะอาดปราศจากอุปกิเลสตั้งมั่นไม่หวั่นไหวก็จะน้อมจิตไปเพื่ออาสวะขย้ายยานเลย วันนี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกนี่ความดับทุกนี่ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกแล้วก็น้อมไปนี้อาสวะนี้เหตุเกิดของอาสวะนี้ความดับอาสวะนี่ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงการดับอาสวะเป็นต้นก็จะรู้ว่าจิตมุจจิตก็ย่อมหลุดพ้นจากการมาสวะภาวาสวะวิชาสวะเมื่อหลุดพ้นแล้วก็มียานอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีมหาบวพิษนี้แหลเป็นสามัญญผลที่ประจักษ์ที่เห็นประจัก ทั้งดียิ่งกว่าปราณีดกว่าสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ในก่อนๆมหาวพิษสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ในข้ออื่นที่ดียิ่งกว่าหรือประณีดกว่าสามัญเห็นจาข้ออื่นย่อมไม่มีอันนี้ถือว่าประเสริฐสุดแล้วอาสวัคยายาเนี่ยถือว่าประเสริฐสุดแล้วพอพระพุทธมศา ส, สดาตรัสนี้ปุ๊บพระเจ้าชาติตัวเวเทหิบุตรพระเจ้าเปดินมะคตได้กราบทูลกับพระเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ ภาษิตของพระ อ, องค์ไพเราะจับใจยิ่งนักเปรียบเสมือนบุคคลหงายของที่ความเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางส่องปทีบในที่มืดด้วยคิดว่าผู้มีจักษุเห็นรูปได้ชั้นใดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศพระธรรมโดยอเนกปริยายก็ฉันนั้นเหมือนกันข้าแต่พระ อ, องค์ผู้เจริญข้าพระ อ, องค์ถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะ ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจําข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผููถึงสารณะตลอดชีวิตนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโทษได้ครอบงำข้าพระองค์ซึ่งเป็นคนเขา่าเป็นคนหลงเป็นคนไม่ฉลาดข้าพระองค์ได้ปรงประชนชีพของพระบิดาผู้ดํารงธรรมเป็นพระราชาโดยธรรมเพราะความปรารถนาความเป็นใหญ่ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดทรงรับทราบความผิดของข้าพระองค์โดยเป็นความผิดเพื่อการสํารวมต่อไป นี่ประกาศความผิดตนเองอันนี้เขาเรียกเหมือนกาเยนาวาจายวเจตสาวาพุทเทกุกามังประกตังมายายังพุทโธปฏิการนะตัวเจยันตังการันตเรสังเวรดุงพุทธิมองออกไม่ตรงเนี้ยแปลว่าอะไรสํานึกตรงนี้พระพุทธเจ้าในสูตรนี้พระพุทธเจ้าสอนพระเจ้าชาติตูใช่ไหมหรือสอนใครสอนใครบอมสอนใคร สอนเราอยู่ตอนนี้แล้วตอนนี้เราสำนึกไหมพอฟังปุ๊บเนี่ยเราเห็นโทษของตัวเองไหมหมายว่าโทษได้ครอบงําฆ่าพระองค์ซึ่งเป็นคนเขาไหมแล้วฟังปุ๊บเนี่ยที่เราไม่รู้เพราะเราเขาใช่ไหมเป็นคนหลงเป็นคนไม่ฉลาดข่าพระองค์ได้กระทำอะไรผิดต่อพระรัตนตรยัยได้ทำผิดไหมผิดหรือไม่ผิดได้ทาผิดต่อพระรัตนตรัยนะ เพราะอะไรเพราะปรารถนาด้วยตัณหาด้วยกิเลสขอผู้ภาพเจ้าเนี่ยโปรดทรงรับความผิดข้อยิงฆาะองค์ด้วยเถอเขาให้นึกอย่างนี้เนียได้เป็นความผิดจริงเพื่อการสํารวมระวังต่อไปพระร้าตรัสว่าจริงมหาบาพาิษความผิดได้ครอบงา ม, มหาบาพาิษซึ่งเป็นคนข่าวเป็นคนหลงไม่ฉลาดมหาบาพาิษได้โปรงประชนชีพพระบิดาผู้ดํารงธรรมแล้วเป็นพระราชาโดยธรรม เพราะความปรารถนาเป็นใหญ่แต่พระมหาพิททรงเห็นความผิดโดยความเป็นความผิดจริงแล้วทรงสารภาพตามเป็นจริงฉะนั้นตถาคตรับทราบความผิดของมหาพิทก็การที่บุคคลเห็นความผิดโดยความเป็นความผิดจริงแล้วสารภาพตามความเป็นจริงรับสังวรต่อไปนี้เป็นความชอบในวินัยของอริยพของพระอริย เมื่อพระเจ้าตรัสอย่างนี้ปุ๊บเนี่ตรงนี้เห็นไหมเมื่อเธอเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วยอมสารภาพไม่ใช่สารภาพบาปนะยอมมามาบอกแล้วก็ตั้งใจว่าต่อไปจะไม่ทําความผิดเช่นนี้อีกอันนี้เป็นความเจริญงอกงามในวินัยของเรียชนนะว่ากันเถอะแต่เธอต้องต้องกล่าวจริงนะไม่ใช่กล่าวเล่นๆนะแล้วเป็นคนอย่างนั้นไหมโอ้เงี้ยตั้งมั่นอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นจะเจริญงอกงามแต่ถ้าสารภาพ พูดแล้วพูดอีพูดแล้วพูดอีอันนี้จะไม่ไม่ไม่เจริญก็งั้เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วพระเจ้าชาติสตูเวเตหิบุตรเนี่ยพระเจ้าเปรตินก็ได้กราบทูลพระเจ้าว่าข้าแต่อง์ถ้าเช่นนั้นข้าพระองค์มีกิจมากมีกรณีอยางกิจมากขอทูลลาไปนบัตดนี้มาวิจิตรทราบการอันควรนบัตดนี้ลำดับนั้นพระเจ้าชาติสตูพระเจ้าเป็นดินกันมคตเนี่ยทรงเพลิดเพลินยินดีภาษสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าลุกจากอาสนะถวายบังคมกระทำประทักศิลแล้วก็หลีกไป ต่อจากเมื่อพระเจ้าชาตูเวเทหิบุตรเนี่ยพระเจ้าเป็นดินมากศ์เนี่ยเสด็จไปไม่นานพระฤาษีเจ้าก็เรียกภิกษุภิกษุทั้งหลายพระราชาพระองค์นี้ถูกขุดเสียแล้วพระราชาพระองค์นี้ถูกขจัดเสียแล้วหากเท้าเธอจักไม่โปร่งพระชนมาชีพของพระบิดาผู้ดํารงธรรมเป็นพระราชาโดยธรรมไซต์ธรรมจักรสุปราศจากธุลีปราศจากมนทินจะเกิดขึ้นแก่เท้า เ, าเธอหนะ้าที่ประทับนี้ทีเดียว พระพุทภาคย่าตรัสคําเป็นไวยากรณ์แล้วเนี่ยเห็นไหนะเนี่ยเห็นไห ม, หไหมกรรมหนักเนี่ยอานันตริยกรรมได้ขวางกั้นมรรคผลเรียบร้อยไปแล้วเหมือนภิกษุที่ต้องอับัตเนีนะแล้วไม่ทําคืนแ ล, แล้วไม่ทําคื น, นก็จะขวางกั้นสวรรค์ขวางกั้นมรรคผลเหมือนกันอย่างนี้เหมือนกันนวนวลเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนี่มองเห็นได้ยงในพระสูตรนี้ในอัตถกายังไม่ได้ขยายทีนี้ประเด็นต่อมาคือว่าแม้ที่สุดพระเจ้าชาตศัตรูไม่ได้บรรลุมรรคผลนะ แต่พระองค์ก็ได้ทรงเป็นผู้ให้การอุปถรัรมภ์พุทธศาสนาเช่นการอุปถรัรมภ์ในการจับสังยขยาครั้งที่หนึ่งทำให้อายุพุทธศาายาวมาถึงพวกเราเนี่ยนะเราก็ควรจะโมทนาในกุศลของท่านด้วยว่าท่านเป็นทิฏฐานุกติช่วยการนำพาพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปทีนี้ไอตัวอาสวะขยยยานเนี่ยนะ อาสวะขย้ายยานยานที่รู้ความสิ้นไปอาสวะคืออาหัตผลแลยานนี่แหละสูงสุดอย่างนั้นภิกษุที่ได้จดตุทัชฌานแล้วออกจากจตุทัชฌานน้อมจิตไปในวิปัสสนาญาณจุดกระทั่งบรรลุโสดาปฏิมกักโสดาปฏิผลสกาธาคามีมกักสกาธาคามีผลอนาคายมากักอนาคายผลอาหลัตมักอาหัตผลนี่นะอันหนึ่งการที่อาสวะขย้ายานก็หมายถึงอาหลัตผลญานเนื่องจากองค์ธรรมคำว่าอาสวะขยะ น, นี่คือที่สิ้นไปแห่งอาสวะเนี่ยกิเลสเนี่ยได้แก่อาหลัตมัก และนิมิทานเท่านั้นเป็นอารมณ์เนี่ยก็เลยจัดเป็นอารหัตผลนี่แหละการเข้าถึงอาสวัคยานนี่เป็นการได้รับประโยชน์สูงสุดที่เลื่อที่สุดไม่มีประโยชน์แห่งการบวชอันใดจะเหนือไปกว่านี้อีกแล้วเพราะนี่คือการหยุดทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดการหยุดการเวียนว่ายตายเกิดเป็นไปในลักษณะอย่างนี้เออในท้ายพระสูตรเนี่ย พระเจ้าชาติตูทรงสดับพระธรรมเทศนาแล้วก็ประกาศตนเป็นอุวาสกถึงพระรัตนตายตลอดชีวิตแล้วก็พิจารณาเห็นว่าการที่พระองค์ยังมีทุกข์อยู่ก็เนื่องจากพระไทยของพระองค์ยังจมอยู่ในความคิดที่เกิดจากการปกปิดโทษที่ตนได้กระทําผิดต่อพระราชบิดาและต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเลยตัดสินพระไทยสารภาพต่อเบื้องพระภาคของบุตรเจ้าพระบรมศาสดาผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณนันยิ่งใหญ่ก็ประทานอภัยให้ทั้งทั้งที่รู้ว่า ไม่มีกรรมใดมาเบียดเบียนอนันตรยกรรมได้แต่เพื่อให้พระเจ้าชาติตูได้เกิดความสบายประทยัยและก็มีกําลังใจในการบําเพ็ญประโยชน์แก่ประเทศชาติและพุทธศาสนาที่สุดเนี่ยพระเจ้าชาติตูเนี่ยไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรแต่พระองค์ก็ได้ทรงเป็นผู้ให้การอุปถัมภ์พุทธศาสนาแต่ว่าพระเจ้าชาติตูเนี่ยปัจจุบันเนี่ยท่านตกนรกในโลหคุมพีอุสธาณนรกในเป็นเป็นอเวจีส่วนหนึ่งเป็นบริวารก็อเวจี แต่ว่าท่านมีคติต่อไปท่านจะเป็นพระปัเจกกับพระพทธเจ้ามีนามว่าชีวิตวิเศษนะได้อีกนานมากแต่ท่านยังมีคติที่จะได้พ้นทุกข์มองออกใช่ไหมพวกเรายังไม่มีใครบัญญัติเราเลยอันนี้เป็นหาเออข้อสังเกตในการแสดงสามัญญพผลสูตรเนี่ยในว่างในพระธรรมเทศนาเนี่ยพอจะสรุปแยกแยกก็คือหนึแยกเป็นช่วงๆนะครับ ปปพาคปฏิปทาวาระก็คือแสดงที่ช่วงที่แสดงศีลอินทรีย์สังวรเป็นต้น2อชาณวาระก็แสดงตั้งแต่รูปชาญสีรูปชาญสิ่และรวมถึงอภิญญาด้วยแล้วก็วิปัสนาวาระก็ช่วงที่แสดงวิปัสนาญาณ4ี่ก็คืออภิญญาวาระแสดงอภิญญามีโลกียอภิญญาและโลกุตราอภิญญาสิ่งที่คพิ่น่สังเกตก็คือว่าเวลาแสดงศีนะไล่ไปตามลําดับ ไอ้สงผลที่เกิดขึ้นจากการบวชเนี่ยตั้งแต่ปุปปภาคปฏิปทาวาล่าเนี่ยแตงศีนอินทรีย์สังว ร, รปฏิโมกข์สังวรศีนอินเดเรสัสงวรศีนแล้วก็พูดถึงอาชีวประดิษฐิศี่ศีนกายด้วยเนี่ยนะเพราะจุลศีนมชมาศีลมห า, มหามศีนก็อยู่ในนั้นแหละแล้วก็ไปพูดในเรื่องของสติสัมปชัญญะในฐานะเจแล้วก็สันโดษแล้วก็การถือทุดงแล้วก็พูดไล่ไปตามลําดับจนถึงนู่นแหละจนถึงอัภยาเศกสุขที่เป็นอาทิจิตสุขที่เป็นอุปจารสมาธิเนี่ยเนียนะเป็นเป็นเฉียดตรงนั้นเลย เออในส่วนตรงนี้แล้วประการต่อมาก็พูดนี้เรื่องน้องชาณวาระพูดทั้งจตุทช ะ, ะชาญ์ปฐมชาญทุติยะชาญตัดเทยชาญเจตุชาญแล้วก็ลกรลภชาญเป็นชาญแปรนี่นะได้ชาญแล้วแล้วต่อจากชาญพูดเรื่องวิปัสนาวาระเลยแปลให้แสดงวิปัสนาญาณก่อนแสดงเห็นชัดว่าท่านแสดงวิปัสนาญาณเป็นไปตามลําดับเลยนะฮะแสดงไล่วิปัสนาญาณทั้งหมดเลยแต่ยังไม่ได้ทงบรรลุก่อนแล้วต่อมาก็มาเดินอภินั ย, ยอีกทีหนึ่ง เพราะการแสดงอภิญญาหรือการเข้าไปทําอภิญญาถ้าไม่ได้วิปัสสนาญาณก่อนมันจะหลงนะทั้งนั้นจะเห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลแต่ก็จะเหลิงจากการเพราะอภิญญาก็จะไล่ไปตั้งแต่ที่ประจักษ์ขู่ที่ประโสนิยาเจโตปริยญาณที่ประจักขู่ญาณเป็นต้นไล่ตั้งแต่ปุเพนิวาสารานุสติญาณจุดูปปายาณแล้วก็จบลงด้วยอาสวะขย่ายานนั่นเป็นโล ก, กุตระอภิญญาก็บรรุญมากผลเลยนี่นี น, นี่คือความตะที่เราจะพึงสังเกต ต, ตรงนี้นะทีนี้ในกรณีแห่งการที่ เนื้อหาเวลาสามาฟฟัญเยผลสูตรเนี่ยมี8ประการก็คือประโยชน์ที่พุทธศาสนิชนพึงได้จากพุทธศาสนาหนึ่งอนนวะเชสุขสุขที่เกิดจากการรักษาศีลก็คือไม่ทําบาปกันไหมที่เราเรียนกันมานี่แหละสุขจากการไม่ทําบาปการไม่ทําบาปทั้งปวงสองอภิยาเศสุขสุขที่เกิดจากการไม่มีกิเลสเจือปลเขาพูดตั้งแต่อินทรีย์สังวรพูดถึงในเรื่องของสติสมัมปชัญญะในฐานะเจ็พูดในเรื่องของ สันโดษพูดในเรื่องของการถือทุดงแล้วก็เนี่ยเป็นอัพยาเศสุขจนพัฒนาไปถึงอธิจิตตสุขระดับหนึ่งเลยที่ที่ได้อุปจารแล้วก็พูดถึงฌานาสุขพูดตั้งแต่ปฐมฌาน ท, ทาานุติยฌานตัติยฌานเจตุทะฌานแล้วก็พูดถึงอรมณ์ฌานอีก4แล้วก็วิปัสนาสุขสุขที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงวิปาาัสนาญาณพูดถึงการพิจารณานามพุทโปริเฉทญาณเป็นต้นเหล่านี้นะไล่ไปตามลําดับไล่ไปตามลําดับเลย แล้วก็พูดถึงในเรื่องของวิปัสสนาสุขเนี่ยไล่ไปตามลําดับแล้วก็พูดถึงมรรคสุขเออเข้าไปอภิญญาสุขก่อนได้แก่การเข้าพิน ญ, ญาทั้งที่เป็นโลกยะทั้งหมดแล้วก็เข้าถึงเนืไล่ไปเจอทิพจักขุตาทิพโสตาหูทิพเจโตปริยญาราู้วัลจิตอิทธิวิทยานแสดงฤทธิได้แลก็ถึงปุเพนิวาสารุสติยานจุตูปปาทะยานแล้วก็ เนี่ยเป็นโลกียะแล้วก็อาสวัคยายานนั้นเป็นโล ก, กุตระก็ถึงมรรคาสุขนี่นเองมีสวสดาปฏิมรรคเป็นต้นไปนถึงอรัตธรรมรรคผ ล, ลสุคก็คือมีโสวสดาปฏิผลเป็นต้นเป็นถึงอรัตถผลจนถึงนิพพานาสุขเป็นข้อที่8 <c oughs> นี้สามมัญญผลผ ล, ลสุคนะ่ยมี8ประการไล่ตั้งแต่อนัวชสุขการไม่ทำบาลอพยาเสกสุขก็คือการได้อินทรีสังวรเป็นต้น ชาณสุขมีปฐมชาณเป็นต้นวิปัสนาสุขสุขที่เกิดจากการเจริญวิปัสนาญาณอภิญญาสุกมีเทพบาจักขูอภิญยาเป็นต้นมรคสุขนี่เป็นโลกุตระผลสุขก็เป็นโลกุตระแล้วก็นิพานสุขอันสูงสุดมรคสีผลสีนิพานหนึ่รวมเป็น8ทีนี้สามัญญผลเนี่ยสประการอีกในหนึ่งเป็นอธิศีลสุขสุกกิจการรักษาศีลทั้งหมดเลยแล้วก็อธิจิตสุขสุขที่เกิดจากการสํารวมอินทรีย์สติสัมปชัญญะจนละนิวรจนถึงชาญด้วย อธิปัญญาสุ ข, สขจากวิปัสนาฌาแล้วก็มัชเนี่ยเป็นต้นอะเ น, นี่ยนะเป็นไปตามลําดับก็ส่งข้อด้วยความเป็นขันก็เลยกลุ่มศีลก็เป็นศีนละขันกลุ่มสมาธิก็เป็นสมาธิขันกลุ่มปัญญาก็เป็นปัญญาขันส่งข้อเป็นสิกขาก็ที่ศีลละสิกขาที่จิตตสิกขาที่ปัญญาสิกขาสรุปก็คือศีลสมาธิปัญญาหรือศีลละวิสุทธิจิตตะวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิส่สงข้อเป็นรถก็ปี2รถเนี่ยสันติรถก็คือและวิมุติรถ ทุกๆอนุแห่งคําสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็ซึมซาบไปด้วยรสแห่งสงบสุขแห่งชีวิตกายและใจแล้วก็นับตั้งแต่สงบสุขขั้นต้นไปถึงสงบสุขเป็นบรมสุขก็คือสุขเข้าถึงพันิพานเป็นต้นด้วยเหตุนี้คุลบุตรผู้มีศรัทธาผู้ต้องการที่จะดื่มรสแห่งพุทธศาสนาหากได้ลองมือบําเพ็ญมหากรุสโดยการปฏิบัติเป็นไปตามลําดับตั้งแต่เข้ามาบวชในพระาศาสนาซึ่งเป็นความสุข ปราณียกว่าดีกว่าเลือดกว่าของความเป็นคารวาสไม่ต้องไปเป็นเครือข่ายเป็นต้นตลอดถึงความสุขที่ประโยชน์ที่พึงได้รับก็คือการไม่ต้องจ่ายภัษดีอ่อนไล่ไปถึงสุขจากการรักษาศีลสุขจากการเจริญสมาธิสุขจากการเจริญปัญญาตามแนวทางที่พระบรมศาสดาสอนไว้ในสามัญญบรสูตรในไม่ช้าจะสามารถบรรลุมรรคผลตามที่มุ่งหมายได้อย่างแน่นอนอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เราท่านทั้งหลายจะได้ทําความเข้าใจให้ชัดขึ้น เออมีใครจะถามอะไรไหมเร่งเลยเมื่อกี้มีไหมยอยากถามอะไรไหมไม่มีเลยแปลกพวกเราไม่ค่อยสงสัยอะไรไม่สงสัยก็เอาสารมันพุทธสูตรไปอ่านกันต่อเราจะได้มีความสงสัยจริงๆด้ยแต่วันนี้แค่นี้น ความมโนไดนา